วันนี้ก็จะอย่างที่เกริ่นไว้นะหัวข้อคือเราจะมาดูกันวิธีที่จะสอนลูกให้ทําอาอนาปานสติเป็นอานาปานสติไม่ใช่การดูลมหายใจนะแต่คือการหายใจแบบไม่มีตัวตนหายใจอย่างไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่าใครเคยฝึกมาแล้วใครเคยผ่านมาแล้วแล้วก็เกิดความท้อใจมาแล้ว นะชาตินี้ไม่มีหวังแล้วนะก็ส่งต่อให้กับลูกก็แล้วกันเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเข้าใจอย่างหนึ่งประการแรกเราอยู่ในเมืองมันยากมันวุ่นมันยากมันทำโน่นทำนีนำน่สองปัจจุบันเนี่ยนะเรามีโอกาสดีเหลือเกินนะมีทางเลือกที่จะปฏิบัตินะวันหนึ่ง ดูของหลวงพ่อองค์นี้นะอีกวันดูของแม่ชีองนั้นนะเจ็ดวันนี้เจดคนไม่ซ้ากันเลยนะแล้วก็ <c oughs> อีกอาทิตย์ต่อมาก็กลับมานับหนึ่งใหม่กับหลวงพ่อองค์เดิมนะที่เริ่มไปวันแรกมันก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทีนะและประการที่สามคือความรู้สึกของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่นะจะแบบ อยากจับลมหายใจให้ได้มั่นนะมันมัน่นคันให้จับได้มัน่นคันให้ตายนะคือจะเอาความสงบให้ได้จะเอาลมหายใจเด่นๆชัดๆนะแล้วก็จะมีสเปคส่วนตัวว่าสมาธิเนี่ ย, ม, ออยงงมันจะต้องอย่างนั้นมันจะต้องอย่างนี้ทําแล้วทําได้ขนาดนี้มันจะต้องอดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับปัจจุบัน ว, วันวันนี้เนี่ยได้ สมาธิอ่อนๆขึ้นมาเนี่ยกะว่าเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะได้ชานแล้วนะซึ่งพอมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังนะก็โทษตัวเองบ้างโทษครูบาอาจารย์บ้างโทษวาสนาบ้างนะก็จะค่อนข้างอ่อนแรงกันท้อกันง่ายๆนะเพราะพวกเราไม่ใช่พระไม่ใช่ฉี่ไม่ได้อยู่ในสถานที่วิเวกที่มันมีความเกื้อกูลให้อยู่โดยอัตโนมัตินะ มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างและอีกวระคานสำคัญที่สุดที่ผมสังเกตมานานนะจากการที่ได้พูดง่ายๆว่าพยายามจะผลักดันให้อนาปานสติของพระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยนะพบความจริงอยู่อย่างว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยต้องหายใจเป็นก่อนหายใจยาวเป็นแล้วก็สังเกตลมหายใจสั้นได้ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายปี นะหรือบางคนเนี่ยเอาผมเพิ่งเจออันนี้เล่าเลยอันนี้เพิ่งเจอนะคนล่าสุดเนี่ยอายุ82ไม่เคยทำสมาธิเลยมีใครต่อใครพยายามสอนตั้งแต่สาวๆนะคนดังคือมีใครแบบมารุมมาตุ้มเยอะแต่ว่าก็ไม่เคยทำสมาธิสำเร็จนะจนกระทั่ง ผมบ อ, อกว่าเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่หายใจฟืดฟาดฟืด ป, า ด, ป, ดปาดก่อนนะแต่ต้องหัดหายใจยาวให้เป็นหายใจให้ท้องเนี่ยมันพองออกได้สบายๆนะถ้าหายใจด้วยกระบางลมอย่างเดียวนะไม่มีทางนะที่จะฝึกอาณาปานาสติไปได้ถึงไหนนะอย่างมากที่สุดก็สงบแบบปุ๊กๆนะวันนี้ได้นะอีกสองปีต่อมาถึงได้อีกครั้งหนึ่งนะ แต่ถ้าหากว่าหายใจเป็นหายใจยาวได้แล้วรู้จักนะว่าท้องพองเป็นยังไงนะพองออกมาได้แค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวลมหายใจสั้นมันอาการแตกต่างกันยังไงนะสามารถที่จะมีสติยอมรับได้ไม่ใช่อยากจะเอาลมหายใจดีๆอย่างเดียวท่าเดียวเนี่ยนะอย่างนี้เท่านั้นมันถึงจะ ทำเป็นจริงทำอานาปานสติได้แล้วเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างคุณป้าอายุแปดสิบสองเนี่ยแกเหมือนพูดง่ายๆว่าเอาจริงนะะคืออย่างอย่างผมให้สังเกตดูหน้าท้องแกก็บอกว่าเออวันแรกๆเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะ ขยายออกมาแบบสมูทมันมีแต่ความรู้สึกติดมันมีแต่ความรู้สึกเหมือนกับตึงมีก้อนอะไรอยู่ในท้องอะไรแบบนี้นะแต่พอผ่านมาสองสมเดือนเนี่ยทำทุกวันจนทั่งล่าสุดเนี่ยบอกว่าเออเข้าใจแล้วทำได้แล้วนะแล้วจากนั้นเนี่ยสมาธิมันถึงเริ่มเดินเออผมก็เลยเออเกิดมุมมองนะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมฝึกมาตั้งแต่อายุ ป, ประมาณ คือครั้งแรกเลยฝึกแบบยกขาอายุประมาณสิบสามฝึกเองแบบไม่มีใครสอนเอาตามหนังสือนะหนังสือว่าไงเราก็เอางั้นแล้วมันก็พลุกพุ ก, พกได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ต่อเนื่องนะแล้วก็ไม่ได้ดีแบบเป็นเส้นตรงมันขึ้นขึ้ น, นลงลงแล้วก็พอเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันก็มีฟอมีทอเหมือนกันหายใจไม่เคยสะดวกหายใจแล้วเสียวปวดเสียวที่ าบาที่ไหลอะไรแบบนี้นะจนแต่ไม่เคยเลิกคือจะเรียกว่าเป็นอะไรดีล่ะคือพออย่างรู้จักพุทธศาสนาเนี่ยอายุ ป, ประมาณ 16-17 นะแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเน้นนักเน้นหนาเรื่องอาณาปานสติก็ไม่เคยมีแม้แต่วันเดียวจนกระทั่งถึงวันนี้นะที่ไม่ทำอาณาปานสติ ก็ได้เข้าใจจากประสบการณ์ตรงอย่างหนึ่งกว่าจะทำได้จริงๆเนี่ยกว่าจะทำได้แบบไม่พลุกนะคือทำได้แบบคงเส้นคงวาแล้วก็มีไอความอยู่ตัวเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาหลายปีเพราะนั้นถ้าใครบอกว่าะจะขอลองดูลองดูนิดๆหน่อยๆสองสาวันนะแล้วถ้าเห็นผลค่อยทำต่อแต่ถ้าไม่เห็นผลก็เลิก แบบนี้เนี่ยคือสิ้นหวังนะชีวิตนี้สำหรับชาตินี้จบเพียงแค่นี้นะสำหรับโอกาสของเราที่จะทอาอาณาบานสติแต่สำหรับลูกเป็นไปได้ครับผมมีเทคนิคให้แล้วก็อย่างที่หลายคนอาจจะอ่านจอมเทพไปบ้างแล้วอ่านจอมเทพให้ลูกฟังบ้างแล้วเนี่ยนะที่แนะนำไปเนี่ยมันมีอยู่แค่สองหน้าเท่านั้น เอาอาณาปานสติยากทั้งหมดนยะมารวมลงอยู่ในสองหน้าจริงๆมีสี่หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะฉายให้ดูนะแต่ว่าตัววิธีทำรรตัวที่มันเป็นแก่นจริงๆเนี่ยที่จะให้ลูกเนี่ยนะถ่ายทอดให้ลูกให้มรดกทำกับลูกเนี่ยนะสองหน้าเท่านั้นแล้ววันนี้ที่จะพูดก็ขั้นแรกเลยนะฮะจะสอนด้วยว่าทำอาณาปานสติยังไงสอนแบบไม่คาดหวังมากนะ ว่าคุณจะไปทำกันจริงๆแต่ถ้าหากว่าคุณเอาสิ่งที่รับรู้เป็นข้อมูลนะและประสบการณ์ตรงในวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกคุณจะเห็นตั้งแต่วันแรกๆเลยนะตอนที่เด็กยังไม่มีข้อมูลในหัวตอนที่เด็กเพิ่งได้ทริกที่มันง่ายสำหรับเขาและมันได้ผลตั้งแต่คืนแรกๆเนี่ยนะมันจะ ช่วยให้เขาโตขึ้นบนเส้นทางของคนที่ทำสมาธิเป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเรียกว่าทำสมาธิเป็นเลยนะเอาเอาแบบที่เราจะมองภาพเดียวกันง่ายๆก่อนคือนะเราทำให้ลูกเนี่ยหายใจเป็นถ้าลูกหายใจยาวเป็นถ้าลูก นอนหลับได้ง่ายๆด้วยการสังเกตลมหายใจของตัวเองได้ก่อนนอนตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบผมรับประกันว่าเขาจะโตขึ้นบนเส้นทางของคนที่จิตใจเนี่ยไม่ปุ้งซ่านเหมือนกับเด็กทุกวันนี้เด็กทุกวันนี้เนี่ยนะยิ่งเล่นโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่นะผีปุ้งซ่านมันยิ่งกระพือขึ้นในหัวนะแล้วก็ มันจะเห็นผลตอนที่โตขึ้นเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาที่จะมีแฟนแต่อันนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้ตอนจะเล่นเกมนะยุคเราเนี่ยคือถ้าพ่อแม่มาริรบโทรศัพท์ยึดโทรศัพท์คืนเนะมีข่าวเยอะแยะเลยนะล่าสุดปันปันหัวพ่อแบะเลยนะตายเลยนะคือไม่ใช่เรื่องที่ เราจะดูเบาไอ้ความฟุงสร่านของเด็กปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าหากเราสามารถให้แนวทางที่ลูกจะแฮปปี้นะถามลูกเนี่ยก่อนนอนเนี่ยฟุ้สซ่านไหมแล้วลูกํำคานความฟุงสร่านในหัวตัวเองไหมเชื่อเถอะว่าลูกเรานะทุกคนจะตอบตรงกันว่าตาคานแล้วนะถ้ามีวิธีทําให้ ไอ้ความฟุ้งซ่านนั้นหรือผีฟุ้งซ่านในหัวเนี่ยมันเบาลงบรรเทาลงเนี่ยเอาไหมเอานลตัวนี้แหละคือถ้าลูกยังแค่ขวบสองขวบอาจจะยังพูดกับเขาไม่ได้แต่สามขวบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ผมทดลองมาแล้วบอกได้กับบอกได้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองแม้ลูกผมเนี่ยเป็นคนที่คือฟุ้งซ่านหนักมากหนักกว่าเด็กทั่วไปด้วย ถ้าถามว่าทําไมถึงรู้นะคือผมรู้สึกถึงไอ้ก้อนความพุงซ่านที่มันหนาแน่นในหัวเนะี่ยแล้วทุกคนเนะี่ยก็สามารถรู้สึกได้คุณแค่เอามือวางมือบนหน้าผากลูกเนี่ยนะตอนที่ลูกพุงซ่านจัดจัดเนี่ยคุณสามารถรู้สึกได้เลยเนี่ยแต่แต่ถ้าวางในตัวเองเนี่ยบางทีมันไม่รู้นะไม่ต้องทําตามนะตอนนี้นะ เพราะว่ามันเข้าข้างตัวเองนะบอกไม่เห็นฟุง้งไม่เห็นมีอะไรเท่าไหร่นะแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณเอาวางบนหน้าผากลูกนะลองซ้อมดูกันเลบ่อยๆตอนกลางคืนเนะี่ยคือก่อนเขานอนเนี่ยคุณลองเอาเอามือวางเนี่ยแล้วไม่ต้องถามเขานะเน่ยถ้าคุณรู้สึกถึงแรงดันอะไรที่ฝ่ามือเนี่ยอันนะั้นแปลว่ากําลังฟุ้งจัดแต่ถ้ามันอ่อนๆเบาๆ บ, บ, บางๆนะอันนะั้นฟุ้งน้อยๆแล้วไม่ใช่เรื่องลึกลับนะ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีอภิ ญ, ญายาซะก่อนนะไอ้นี่เนี่ยเป็นสมองคนเนี่ยมันมีคลื่นไฟฟ้าแล้วฝ่ามือเนี่ยมันก็สามารถสัมผัสคลื่นไฟฟ้าได้นะเราสามารถรู้สึกถึงไออาการคิดเนี่ยอย่างสมองส่วนหน้าเนี่ยเป็นสมองส่วนที่ใช้คิดเพราะฉะนั้นเวลาเราท่าฝ่ามือลงไปเราถึงรู้สึกได้อย่างเวลาคนเป็นไข้ตัวร้อนใช่ไหมเออถ้าเราสังเกต อ, อีกนิดนึงนะ เ, เวลาวัดไข้ลูกด้วยฝ่ามือเนี่ยเอาเอาแปะลงไปเนี่ยตอนตอนลูกตัวร้อนจัดจัดเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีอาการกระวนกระวายแล้วคลื่นมันจะเต้นเต้นเต้นะแต่เราไม่สังเกตเราสังเก ต, เเกตแต่อุณห ภ, ภูมินะเราถูกสอนมาแค่นั้นว่าอะไรที่มันเป็นรูปธรรมสัมผัสจับต้องได้อันนั้นถึงวัดค่าได้แต่จริงๆถ้าสังเกตลึกลงไปอีกนิดเดียวนะเนี่ยมันซ้อนมันซ้อนกันอยู่ กาอุณหภูมิความร้อนเนี่ยบางทีเนี่ยตอนที่ลูกกำลังมีความทุกข์มากๆตอนตัวร้อนมากๆเนี่ยจิตลูวมันแตกกระจายเลยมันจะเต้นนะเราจะรู้สึกได้เหมือนกับกระจกแตกเป็นเสียงๆอ่าทีนี้ถ้าเรารู้ทริคตรงนี้นะหลักธรรมชาติง่ายๆเลยตอนกลางคืนเนี่ยเราแคเ่เวลาลูกจะนอนเนี่ยนะเราเอามือแปะไป ลอสังเกต ด, ดูว่ามันเหมือนมีอะไรเต้นๆอยู่ใต้ฝ่ามือเราหรือเปล่าถ้ามีอะไรดิ้นอยู่เต้นๆอยู่ชัดๆนั่นลองถามลูกดูว่าลูกตอนนี้ลูกลาคานความฟุ้งซ่านของตัวเองไหมนะถ้าเขาตอบว่าลาคาญนะอีกแป๊บหนึงนะ่งเนี่ยลูกหายใจยาวๆสิแล้วเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาฝ่ามือออกนะมันจะเกิดความรู้สึกว่า ไอ้อะไรที่มันดิ้นดินอยู่เต็มหัวเขาเลยเนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็ถามเข้าไปนี่ลูกออคิดน้อยลงเปล่าเนี่ยมีความสุขมากขึ้นไหมรู้สึกว่าํำคาญน้อยลงไหมแต่เขาตอบว่าเฮ้ยพ่อรู้ได้ไงแม่รู้ได้ไงอะ่ะนั่นตรงนั้ น, นคือโอกาสที่เราจะเริ่มบรรยายธรรมให้ลูกฟังนะ <c oughs> เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ย คือบอกลูกบอกว่าเนี่ยลูกไม่เคยสังเกตเลยใช่ไหมเนี่ยมันออตอนลูกกําลังพุงสั้นจัดๆเนี่ยลูกแทบจะไม่หายใจเลยเนี่ยแทบจะเหมือนหายใจสั้นจนแทบจะไม่ได้หายใจแต่ถ้าลูกกําลังสบายใจอยู่นะลูกกําลังมีความสุขอยู่เนี่ยลูกจะหายใจยาวรู้สึกว่าเออมันสดชื่นจริงๆเนี่ยเราสามารถสดชื่นได้สามารถแฮปปี้ได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องรอให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นซะก่อน นะแค่เราสร้างเรื่องดีๆขึ้นภายในของตัวเองเนี่ยมันก็แฮปปี้ได้แล้วถ้าบอกลูกอย่างนี้นะแล้วลูกเกิดความสนใจก็เริ่มเลยนะแต่ถ้าลูกยังไม่สนใจลูกยังเกิดความรู้สึกเออมันนี่พ่อพูดอะไรเนี่ยแม่พูดเรื่องอะไรทำไมฟังไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยก็โอเค พูดถึงความพุงสร้างของเขาไปก่อนค่อยๆค่อยๆสังเกตเนี่ยวางมือบนหน้าผากทุกวันเนี่ยจนกว่าเขาจะชินแล้วนะชินกับพฤติกรรมของพ่อแม่นะวางมือบนหน้าผากลูกตอนตอนแรกๆอาจจะสงสัยมีคําถามนะแต่พอชินแล้วเขาก็จะเออมาใช้ฝ่า ม, มือเป็นออมิเตอร์วัดความพุงสร้างของเรานั่นเองนะก็ตอนแรกๆก็อาจจะนี่มาวัดทําไมเออ ก่อนก่อนนอนนะฮะแต่พอเราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคุยกับเขาเขาจะค่อยๆ ย, ยอมรับแล้วก็เหมือนกันเราจะใช้เป็นประตูใช้เป็นวิธีที่จะคุยในขั้นต่อๆไปกับเขาได้อพอลูกเริ่มที่จะเดี๋ยว เ, าเอาใช้สไลด์เลยดีไหม ย, ยอด กำลังเป็มปากอยู่เลยนะีขอโทษทีนะอ้ะอาวอันนี้เออขึ้นขึ้ น, นได้ป่ะมีเอาเดี๋ยวโอเคอ่ะไม่เป็นไรก็คือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อถ่ายทอดมรดกธรรมให้กับลูกนะหลายคนสงสัยว่าดิฉันต้องทำให้ได้แบบนั้นสะกก่อนหรือเปล่าผมต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนอะไรต่างๆนี้นะอันนี้ผมบอกได้จากการทดลองมาแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำได้ก็สามารถสอนลูกได้จริงๆนะแต่ ถ้าคุณทำได้คุณจะสอนได้ลึกซึ้งขึ้นอันนี้ผมคิดสเต็ป บ, บายสเต็ให้แล้วถ้าเอาแค่เอาไปแอพพลายนะคุณจะพบว่าลูกทำได้แล้วก็ไอท้ที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่เห็นทำได้เลยบางทีมันมีคือคนเนี่ยพอโตขึ้นมาโดย ความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะอยู่กับลมหายใจได้เนี่ยนานจนถึงจุดหนึ่งนะเกินอายุสัก 16-17 เนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันมันจะเริ่มถอดใจมันจะเริ่มไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยทำได้นะแต่ถ้ า, เ, าเริ่มต้นตั้งแต่ก่อน10บขวบคือร่างกายเนี่ยมันยังยืดหยุ่นอยู่มันยังยืดหยุ่นง่าย ท้องไส้อะไรยังไม่ค่อยมีไอความเกรงหรือว่าไม่มีไอของอะไรเสียๆ เ, เนี่ยเข้าไปอัดอยู่นะแล้วก็วิธีหายใจเนี่ยมันยังไม่ได้ผิดจนเกิดความเคยชินที่จะหายใจแบบผิดๆคือเข้าใจไหมถ้าอายุมากขึ้นยิ่งสักสิบขวบอะ่ะมันมันจะเริ่มหายใจผิดจนชินหายใจด้วยกระบังลมนะโดยธรรมชาติเนี่ย ถ้าหายใจเป็นนะคำว่าหายใจเป็นไม่ว่าจะหลักการของทางศาสนาหรือว่าหลักการทางโยคะหรือว่าหลักการทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยอมรับแล้วนะว่าการหายใจแบบโยคะเป็นวิธีหายใจที่ถูกต้องนะคือถ้าหากว่าเรายังมีความพูดง่ายๆว่าเด็กยังไร้เดียงสายอยู่ยังยังไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วเราให้เขาฝึกแบบที่ถูกต้อง ตอนอยู่บนเตียงนอนนะไม่ต้องไปนั่งทำสมาธิอะไรเคร่งเครียดในห้องพระหรือว่าในวดัดในโบสถ์นะแต่อยู่ในที่ที่เซฟที่สุดสําหรับความรู้สึกของเขาอยู่ในเซฟโซนของเขาคือเตียงนอนในเวลาที่ เ, เขากาลังจะหลับเนะี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าอีซี่นะเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นที่สบายและทำทำได้จริง แล้วถ้าทำเรื่อยๆ เ, เขามีโอกาสหลายปีมากๆที่จะลองผิดลองถูกโดยมีคุณคอยช่วยให้คาแนะนำนิดๆหน่อยๆ น, นะในแต่ละคืนเขาจะโตขึ้นค่อยๆโตขึ้นมาโดยการเห็นว่าเขาสามารถที่จะหายใจโดยเริ่มจากหน้าท้องได้จริงๆแล้วไม่ติดไม่มีความไม่มีอาการติไม่มีความเชื่อแอบแฝง ที่มันฝังอยู่ในหัวนะว่าเขากำลังทำสมาธิแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าทำไม่ได้ยังไงเนี่ยนะ<ม>เขาจะเริ่มต้นด้วยคุณนะพูดแค่ว่าลูกถ้าหากว่าลูกเอามือบนวางบนหน้าท้องนะตอนนอนนะอันนี้ต้องต้องมาเป็นอันดับแรกจริงๆนะคือทดลองมาจนแน่ใจแล้วว่าเส้นทางมันต้องแบบนี้นะ เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยคุณบอกว่าเออเนี่ยเอามือวางบนหน้าท้องให้นอนงายนะแล้วให้สังเกตว่าเวลาเขาหายใจเนี่ยหน้าท้องมันดันขึ้นมาหรือเปล่าถ้าหากว่าหน้าท้องมันดันขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกว่ามันสบายนะก็ให้สังเกตว่าเออเนี่ยลูกมีความสุขอยู่มันจะเนื้อตัวเบาไม่เกรงส่วนในส่วนหนึ่งไม่มีความอยากคือไม่มีความอยากแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะรีบร้อน นะอยากเอาความสงบบ้างอยากให้ความฟุ้งซ่านหายไปจากหัวบ้างแต่เด็กเนี่ยถ้าคุณบอกเขาอย่างนั้นเขาจะไม่ตั้งความคาดหวังอะไรเลยเขาจะมีประสบการณ์ทาสมาธิอย่างถูกต้องโดยธรรมชาติก็คือว่าสังเกตเฉยๆสังเกตตามจริงว่าหายใจแต่ละครั้งหน้าท้องของเขาดันฝ่ามือขึ้น มาหรือเปล่าถ้าไม่ดันนะเขาจะค่อยๆสังเกตนะเออว่าหายใจยังไงให้หน้าท้องมันดันฝ่ามือขึ้นมาทีละนิดนะแล้วให้เ้าสังเกตด้วยว่าถ้ามันดันขึ้นมาแรงเกินไปเร็วเกินไปมันเป็นลักษณะการหายใจแบบกระชากมันเป็นลักษณะการหายใจแบบที่าหายใจยาวๆได้เลือกเดียวแล้วก็รู้สึกอึอดอัดรู้สึกเป็นทุกข์ รู้สึกทรมานรู้สึกเกรงเนี่ยคุณให้เขาสังเกตแค่นี้นะในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆ เ, เกิดการเรียนรู้นะอาจจะคืนหนึ่งสองคืนหรือสามคืนผ่านไปเขาจะเริ่มสังเกตออกโดยธรรมชาติของเด็กนะที่ร่างกายมันยังยืดหยุ่นง่ายอยู่สังเกตว่าถ้ า, าหน้าท้องเขาดันฝ่ามือขึ้นมาแบบสมู o t นะค่อยๆดันขึ้นมา สบายๆแล้วก็ลดลงไปสบายๆนะีแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยหน้าท้อง ม, มันก็จะพองขึ้นมาเองหน้าท้องมันจะยุบลงไปเองนะไม่ต้องให้เขาบริกรรมยุบหนอ่อพองหนอนะคือถ้ายิ่งเขาเรู้สึกถึงการหายใจได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งใกล้กับความเป็นสมาธิมากขึ้นเท่านั้น การบริกรรมยุบหนอพองหนออาจจะเหมาะสาหรับผู้ใหญ่ที่ยังฟ้งส้นฟูงสั้นมากๆก็เลยต้องใช้คำที่มากากับนะว่าเออเนี่ยท้องกำลังพองขึ้นนะท้องกำลังยุบลงไปนะอย่างนี้เนี่ยมันมันจะได้เหมือนกับมีสติบอกตัวเองนะครับว่าเอ อ, เ อ, อท้องของเรากำลังมีอาการอย่างใดแต่สำหรับเด็กเนี่ยไม่จำเป็นนะถ้าหากว่าเขาแฮปปี้กับความรู้สึกว่าเขาหายใจได้ยาว แลท้องมันพองขึ้นมาแล้วท้องมันค่อยๆยุบลงไปนะใจเาใจที่สบายของเขาอ่ะมันจะทำให้เขาเกิดข้อสังเกตทางร่างกายอย่างเต็มใจไปเองเาครั้งแรกๆเนี่ยเขาอาจจะสังเกตได้แค่นาทีหนึง่งหรืออาจจะครึ่งนาทีไม่ต้องไปเร่งรัดขอแค่ว่าคุณมีอยู่ข้างๆขางเขา ตอนก่อนนอนทุกคืนให้ได้สักเจ็ดวันแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างเลยนะลูกเนี่ยแทนที่จะนอนดิ้นไปดิ้นมาไม่มีความสุขนะเรากับว่าไปเจออะไรที่มันแย่ๆมาทั้งวันแล้วก็ขยะเต็มหัวเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคุณจะสามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกายเขาก็ได้นะว่าลูกเนี่ยมีความเบาเบาจากภายใน นะแล้วก็มีความพร้อมที่จะแฮปปี้พร้อมที่จะสบายสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็สบายใจก่อนนอนด้วยการสังเกตลมหายใจนะะวิธีสังเกตลมหายใจก็ให้เขาสังเกตผ่านฝ่ามือที่วางบนหน้าท้องนั่นแหละพอเขาหายใจเป็นพอหายใจยาวได้นะค่อยขยับเลื่อนขึ้นมาแอดวานอีกนิดหนึ่งนะปกติเนี่ย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ตาจะกรอกไปมาอกแวกนะถ้าหากว่าเราหาที่ตรึงสายตาให้กับเขาได้เขาจะทำสมาธิได้เร็วมากว่ากันเป็นหลักเดือนแลนะเด็กบางคนนะถ้ามีบุญเก่าอยู่นะไอ้ประเภทที่ชาติก่อนเพิ่งทำสมาธิได้มาแบบสูงสูงเนี่ยถ้าเขาหายใจเป็นด้วยแล้วตรึงสายตาอยู่กับที่ได้ด้วยเนะี่ย ของเก่าจะปรากฏคุณจะเห็นกับตาเลยคือหน้าลูกเนี่ยจะออกเลยนะมันจะสว่างราวกับว่านะหน้าเป็นหลอดไฟตอนตอนนะขนาดมืดๆอยูย่บางทียังเห็นเลยนะว่าเอ๊ะทำไมตกใจลูกตัวเองนี่ไกลเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเนะี่เป็นฟอสฟอรัสอะไรขึ้นมาโตหังขึ้นมาไม่ใช่นะคือมันเป็นออร่าแล้ว คนเนี่ยเข้าใจผิดกันหมดเลยว่าเรื่องออร่าเนี่ยมันจะต้องสัมผัสด้วยจิตของผู้ที่ทรงภูมิคุณดูสิเดินไปตามห้างเนี่ยตอนเห็นคนกำลังฟุ้งซ่านมากๆเดินเมื่อๆกันกลางห้างเนี่ยมันจะเหมือนกับมีอะไรฟุ้งๆยุ่งๆเคยมีประสบการณ์นี้ไหมเดินไปแล้วเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรคลุ้งๆยุ่งๆเต็มห้างไปหมดเลยนันไม่ใช่อุปทานนะมันเป็นออร่า คำว่าออร่านี่ไม่ใช่เป็นแสงอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่คนเนี่ยไม่สังเกตนะอย่างถ้าจะฝึกมองออร่าเนี่ยง่ายๆเลยทําให้ห้องมันดีๆแสงลงมาเนี่ยแล้วมองมองแบบว่าให้ให้เห็นรอบๆเนี่ยเดี๋ยวมันออกมาเองนะเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้จิตสัมผัสไม่ต้องมีอภินญานะอันนี้เหมือนกันลูกเนี่ยถ้าคุณเอาเขานอน แล้วด้วยการปิดไฟเนี่ยนะหรือมีแสงอะไรแค่สลวสวๆเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าแต่ละคืนเนี่ยออร่าเขาออกมาไม่เท่ากันถ้าวันไหนนิ่งๆอยู่เนี่ยมันจะเหมือนสว่างสว่างนะแต่ถ้าดิ้นตุบ ป, ปัดตุปเปะเนี่ยนะไอ้นี่ตรงนี้คุณจะรู้สึกเลยคล้ายๆมีเมฆหมอกอะไรมืดๆอยู่ในตัวเขากระจายออกมาจากตัวเขาเนยหลายคนพยักหน้าแสดงว่า เคยสังเกตมาโดยไม่รู้ตัวนะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนคนไหนบอกเลยนะว่าเฮ้ยฉันเห็นออร่าลูกว่นะมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนะี่ยเห็นเห็นกันอยู่แต่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เลยไม่ได้ฝึกจริงจังให้มันเกิดการเอาไปใช้ประโยชน์อะไรขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเราลองฝึกดูลูกอย่างนี้น ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกหายใจสงบสงบสบายๆนะฮะจนกระทั่งลูกบอกของลูกเองว่าเออมันสมุดแล้วเนี่ยมันมันมันไม่มีติดมันไม่มีขัดไม่เกรงหน้าท้องไม่เกรงเนื้อตัวนะคุณฝึกในขั้นต่อไปให้ลูกได้ได้เลยนะะคือทำให้เขาเนี่ยมีสายตาที่ตรึงอยู่กับที่ที่เดียวอยู่กับจุดเดียวแบบสบายด้วยนะไม่ใช่ตรึงอยู่กับจุดเดียวแบบเพ่งคับแคบ ถ้าเพ่งแับแคบเนี่ยเขาจะนอนไม่หลับนะหรืออย่างหลายคนเนี่ยเคยฝึกสมาธิก่อนนอนแล้วบอกว่าตาแข็งตาค้างนอนไม่หลับนะก็เพราะว่าสายตามันอยู่ผิดโฟกัสแต่ถ้าหากว่าเราสามารถไกด์ให้เขามองสบายสบา ย, บายแล้วก็ล็อกอยู่กับโฟกัสที่สบายนั้นได้นะนั่นแห่มันเฉียดกันนิดเดียวกับการได้สมาธิวิธีที่จะให้ลูกนะมีสายตา ที่อยู่กับโปรแกสเดียวได้สบายๆนะให้ลูกทำมืออย่างนี้จริงๆมันอยู่ในนิทานจอมเทพนะน่คือเนี่ยให้ให้ลูกให้ลูกเอาเอานี่ยิ้วต้นนิ้วอย่างเงี้ยนะคือจะให้ลูกนอมือก็ได้แล้วแต่คือจุดที่วางเนี่ยจะขนมือหรือว่าจะเอามือนิ้วนิ้วแตนวน่อย่างเงี้ยนะเอาเอาไว้ในระดับหน้าอก เล้วเวลาลูกนอนเนี่ยมันจะพอดีคือปกติเนี่ยเด็กก็จะหนุนหมอนใช่ไหมหรือถึงไม่หนุนก็ไม่เป็นไรคือคือมันจะมีความรู้สึกว่าสา ม, มารถที่จะลงสายตาเนี่ยทะลุในช่องว่างระหว่างฝ่ า, ามือมได้ถือว่าใช้ได้แนละ้วให้ลูกทําความรู้สึกเนี่ยว่าเออจะมองอยู่ช่องว่างระหว่างฝ่ า, ามือนะหรือถ้าลูกขนมมือขนาดขนมมือนะ ก็ให้เหมือนกับสายตาเนี่ยอยู่กับฝาามือที่กำลังคนกันอย่างนี้แค่บอกลูกอย่างนี้คุณไปฝึกเอาเองเพื่อที่จะให้รู้ก่อนก็ได้ว่ามันเป็นยังไงนะแล้วถึงจะไปไก้ลูกได้จากประสบการณ์ของคุณเองนะคือขอให้สังเกตว่าถ้าสายตาของคุณนะอยู่กับไอ้ช่องว่างระหว่างฝ่ามือหรือว่าอยู่กับไอ้เอ่อมือที่พนมชิดกันเนี่ย แล้วเกิดความรู้สึกว่าสายตานิ่งสบายได้อันนั้นแหละที่ผมพูดถึงคือให้มีโฟกัสอยู่โฟกัสเดียวแล้วคุณจะเห็นข้อแตกต่างเลยนะเวลาที่ไม่อาศัยเครื่องช่วยไม่อาศัยฝ่ามือเนี่ยตามันจะชอบหลอกแหลกหลอกแหลกแล้วก็วนไปเวียนมานั่นเพราะอะไรเพราะว่าสมองเนี่ยนะมันอยู่ในโหมดสุ่มสุ่มคิด แล้วถ้าสมองอยู่ในโหมดสุ่มคิดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้สายตาเนี่ยกรอกไปกลอกมาเนี่ยอย่างาทางจิตวิทยาปัจจุบันเนี่ยเขาจะาตั้งข้อสังเกตนะเวลาคนพูดโกหกเนี่ยจะเหลือบตาลงต่ําเพราะมันไม่เห็นภาพแต่ถ้ากําลังนึกกําลังเค้นว่าเอา๊ะเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงเขาจะเหลือเหลือบตาขึ้นนะเพื่อให้เห็นภาพในหัว แต่ถ้ามองนิ่งเป็นผีดิบเงี้ยนะบางทีเนี่ยกำลังอาจจะตั้งใจโกหกแบบนึกว่ า, าคนเนี่ยถ้าพูดจริงมันจะต้องเบิกตาแต่ถ้าเป็นผีดิบเนี่ยไม่ใช่นะมันเกินไปมันเพ่งเกินไปมันต้องอมีลักษณะของสายตาที่แบบนิ่งๆสบายๆซึ่งเนี่ยตรงนี้จากข้อสังเกตอะไรง่ายๆในขณะลืมตาพูดเนี่ย เรายังสามารถที่จะบอกได้ถึงภาษาสายตานะี่ยหรือหรือหมวดของสมองเนี่ยที่แตกต่างกันได้ขนาดนี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราตั้งข้อสังเกตนะว่าเวลาเรากําลังฟุ้งซ่านหรือเหม่อลอยเนี่ยตาโฟกัสของเราเนี่ยมันจะไม่มีที่แน่นอนมันจะเหลือไปเหลือมมาหรือไม่ก็เหลือกเร็วนะฮะหรือถ้ากําลังเหม่อเนี่ยนะมันจะมีโฟกัสแบบหนึ่งคือไม่ใช่โฟกัส มองไกลสบายแต่มันจะลอยแบบไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะหรือถ้าฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยฟุ้งซ่านในเรื่องที่เรากำลังกลุ่มใจยอยู่มันจะมีอาการบีบที่กระบอกตานะมีอาการขมวดที่คิ้วแล้วโฟกัสองสายตาเนี่ยมันจะมีอาการเพ่งเพ่งแบบไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนมีแต่อาการกลุ่มนะอาการกลุ่มเนี่ยบีบให้โฟกัสองสายตาเนี่ยนะเพ่งเข้าไปที่แคบ ไอ้ตรงนี้ถ้าเราสังเกตจากตัวเองได้มันก็สามารถไปไกลลูกได้เช่นกันถ้าหากว่าเราฝึกเองนะเนี่ยเอาเอามือเอามือเอาปลายนิ้วแต่ปลายนิ้วอย่างนี้เวลานอนนะแล้วเรารู้สึกว่าเออตอนที่สายตาเนี่ยมันอยู่กับช่องว่างระหว่างมือแล้วรู้สึกว่าหายใจสบายๆหายใจยาวๆแล้วเนี่ยราวกับว่าเห็น สายลมหายใจเนี่ยผ่านลอดช่องฝ่ามือเข้ามาเนี่ยนะไอ้เนี่ยมันเป็นการที่จิตเนี่ยเริ่มเห็นภาพด้วยมโนทวารไม่ได้เห็นด้วยสายตาไม่ไม่ได้เห็นด้วยการที่ตาเนี่ยนะมีแสงมากระทบจอตานะแต่เห็นด้วยการที่ใจเนี่ยสัมผัส ถ, ถึงลมหายใจที่ลอดฝ่ามือ ที่ลอดช่องฝ่ามือช่องว่างฝ่ามือมาได้เนี่ยถ้าคุณทำได้แม้แต่ครั้งเดียวจับจุดได้แม้แต่ครั้งหรือสองครั้งแล้วเอาไปถ่ายทอดให้กับลูกแล้วลูกทำได้ลูกเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันเหมือนมีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกรอดช่องฝ่ามือไ ด, ได้จริงๆด้วยเขาสามารถเห็นได้จริงๆด้วยเขาจะสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเออหลับตาก็สามารถเห็นภาพได้ เนี่ยตรงนี้ไอความสนุกหรือว่าความรู้สึกประสบความสำเร็จที่เราเอาไปถ่ายทอดให้เขาเนี่ยนะมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เขานึกสนุกที่จะทำสมาธิก่อนนอนขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะค่อยค่อยค่อย่อยอยอยเป็นนะวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีผ่านไปเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ย อยากนั่งสมาธิอยากให้คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไม่ได้นะทำยังไงต่อนะก็มันก็จะมีพัฒนาการขั้นต่อไ ป, าไปพาไปหาครูบาอาจารย์นะอย่าพามาหาผมนะคนเดียวไม่ไหวนะมั น, มนพอคือส่วนใหญ่จากประสบการณ์ตรงนะจะจะอยากให้ ไกลตัวต่อ ต, ตัวซึ่งซึ่งท่า น, นเป็นวิธีที่สักเซสมากที่สุดอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าเอาตามหลับพระพุทธเจ้าอ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งลูกนะอันนี้ที่มันจะได้ผลจริงเพราะว่าเราอยู่กับเขานะถ้าหากว่าเราโตตามเขาในเรื่องของสมาธินะเราจะมีสิทธิ์ที่จะค้นคว้า แล้วก็หาข้อถูกข้อผิดจากตัวเองได้มากกว่าเขาแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้เขาได้ผมรับประกันว่าถ้าลูกทำสมาธิได้คุณจะมีแก่ใจที่จะทำสมาธิให้ได้ดีกว่าลูกแล้วก็เอาไปสอนเขาพูดง่ายว่าลูกจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางหรือว่าโมติฟไอเป็นเป็นณนะที่ที่เราจะอยากจะ ทำสมาธิขึ้นมาเพื่อลูกนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ ก, นก่อนเข้าช่วงถามตอบนะจะสอนวิธีแบบง่ายๆที่เราสามารถทำกันได้ตอนนั่งนะเมื่อกี้พูดถึงตอนนอนพูดถึงคอนเซป ต, ต์ว่าเราจะเอาไปใช้กับลูกได้ยังไงพะที่นั่งอยู่ทุกคนในที่นี้ก็มีลูกกันทุกคนแล้วก็อยากจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีในชีวิตเนี่ยให้กับลูกนะ นะเพื่อที่จะสอนลูกได้แบบที่มันปรับตัวได้ตามสถานการณ์นะคือพูดง่ายๆว่าลูกมีคำถามอะไรเราสามารถตอบได้เราต้องํำให้ได้เองก่อนนะวิธีที่จะนั่งทำสมาธินะเพื่อให้เรารู้จักวิธีที่จะหายใจ อันดับแรกเลยนะอย่าคิดว่าทําวันนี้ได้เดี๋ยวนี้แต่ค่อยๆทําทีละนิดทีละหน่อยฝึกหายใจให้เป็นแล้วคุณจะพบว่ามันคุ้มค่าที่สุดเลยคุณจะใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนก็ตามถ้าคุณมีความตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจจริงมุ่งมั่นจริงนะผมนับประกันไม่กี่เดือนหรอกมันจะทําได้นะคุณจะคุณจะสวนทางกับความเคยชินผิดๆแบบเดิมๆที่สะสมมาทั้งชีวิตได้วิธีหายใจให้ มีความสมูทนะฮะทำไมถึงต้องใช้ฝ่ามือเพราะว่าพอไม่ใช้ฝ่ามือไปไปแตะเนี่ยมันจะจิตเราจะซัดสายสายตาเราจะสเปตสะ ป, ปะแล้วก็เหมือนกับพยายามเร่งให้ใหายใจยาวท่าเดียวนะแต่ถ้าหากว่าเราอลองเลยนะลองนั่งนั่งตัวตรงสบายๆแล้วก็วางฝ่ามือบนหน้าท้องนะ แล้วสังเกตเฉยๆว่าเมื่อไหร่มันจะดันขึ้นมาไม่ต้องไปตั้งใจให้มันดันขึ้นมาเองนะแค่สังเกตเฉยๆถ้ามันไม่ดันขึ้นมาเลยหรือใครหน้าท้องเกร็งรู้สึกว่ามันมันแฟบอยู่อย่างนั้นไม่ได้ดันขึ้นมาเลยแม้แต่มินเดียวนะก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะหายใจผิดมาตลอดชีวิตเนี่ยอยู่ๆมันจะไปหายใจถูกเนี่ยมันไม่ได้มันยากแต่ถ้าสังเกตไปเรื่อยๆคุณจะค่อยๆเห็นเองว่า บางครั้งนะเวลาที่ต้องการลมหายใจยาวเนี่ยหน้าท้องมันจะดันขึ้นมาทีนี้คุณจะเห็นว่าคุณหายใจผิดหรือหายใจถูกก็ตรงนี้เนี่ยถ้ามันดันขึ้นมาแบบสมูทนะค่อยๆดันขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกสบายไปทั้งตัวเท้าไม่เกรง็งมือไม่เกรง็งนะหน้าผากไม่ตึงนะอันนี้แสดงว่ากำลังหายใจแบบสบายอย่างถูกต้องอยู่ ก็าหายใจสุดนะแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาคุณก็จะรู้สึกถึงในหน้าท้องที่มันลดระดับลงไปโดยไม่มีอาการฝืนไม่มีอาการเกรงเช่นกันนี่พอสังเกตนะว่าเมื่อไหร่ลมหายใจไหนที่หน้าท้องมันเกรงหรือมือมันรู้สึกอยากจะกำขึ้นมาไอเนี่ยตัวนี้แหละจิตเริ่มผิดแล้วถ้าจิตผิดเนี่ยหายใจไม่มีทางถูก นี้พอเราสังเกตไปอย่างนี้เรื่อยๆบางครั้งมันมันมีอาการเกร็งล้วก็คลายซาบางครั้งมันรีบกระชากลมหายใจน่หน้าท้องเนี่ยมันดันปุ๊ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะฮะก็ค่อยๆผ่อนค่อยๆรู้จักที่จะลากลมหายใจช้าๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจช้าๆยิ่งช้ายิ่งนิ่มนวล น, นร่างกายมันยิ่ง ผ่อนคลายยิ่งสบายอันนี้หลายคนทําได้นะคือที่มันรู้สึกว่าไม่เปมีอาการเร่งร้อนไม่ได้อยากได้ความสงบพอไม่ได้อยากได้ความสงบนั่นแหละมันสงบขึ้นมาเองแล้วแต่ได้อยากได้ยิ่งอยากเท่าไหร่มันยิ่งกระวนก็วายยิ่งบันปวนพระพุทธเจ้าบอกนะบอกว่าตัณหาหรือว่าไอ้ความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่ตัวนี้แหละต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ เราเห็นได้จากการทำสมาธิเลยนะเมื่อไหร่ใจไม่อยากไม่เอาไม่ได้อยากจะสงบไม่ได้อยากจ ะ, ะรู้เห็นอะไรทั้งนั้นนะ่ยไม่ได้อยากจะให้ความผุ้งซ่านมันรีบๆหายไปนะมันก็เกิดความว่างของใจขึ้นมาเองพอมันเกิดความว่างแล้วหายใจได้สบายหน้าท้องมันพองออกแบบสบายแล้วก็มันยุบลงแบบสบายนะฮะแน่ตอนนี้เนะี่ยความสงบมันมาแล้ว มันไม่ต้องไปรอกี่เดือนกี่ปีเลยมันเอาเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยถ้าทําได้เดี๋ยวนี้มันมีความสุขมันมีความว่างมันมีความเบาขึ้นมาได้ทันทีแล้วในความว่างความเบาเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่ลมหายใจนะมันจะพาความสว่างเข้ามาหมายความว่ายังไงหมายความว่าพอเราหายใจเข้าหายใจออกด้วยความสงบด้วยความว่างเนี่ยนะมันจะเหมือนกับลมหายใจมีแสงนวลนวมีความสว่างนวลนวขึ้นมา เรากับว่าเราเอาเนีออนไปส่องนะทำให้มันเป็นกลุ่มหมอกควันขาวๆ ข, ข, ขึ้นมาว่าเราเห็นอย่างนั้นนะเราสังเกตดูว่าสายตาของเราเนี่ยมันกรอกไปกรอกมาหรือเปล่าถ้ามันนิ่งอยู่กับที่เนี่ยใช้ได้แต่ถ้ามันกรอกไปกรอกมานะ เ, าเดี๋ยวลืมตาขึ้นดูผมนะคือถ้าคุณพบว่า โฟกัสสายตาของคุณเนี่ยมันไปทางซ้ายทีขวาทีนตรงนั้นเนี่ยมันสะท้อนว่าความผงสร้านกำลังทำงานสมองกำลังเข้าโหมดุงสร้านอยู่นวิธีง่ายๆที่เราจะล็อกสายตาไว้กับโฟกัสที่สบายได้นะนะให้เอาฝ่ามือทาบลำคอนะแล้วเสร็จแล้วยื่นออกมานิดนึงเพื่อที่จะให้ มันมาอยู่ตรงหน้าอย่างนี้งอศอกนิดนึงไม่ต้องยื่นมาขนาดนี้นะนคือให้ให้มันให้ให้มันอยู่ในระดับคอนะแล้วเรามองสบายสบายไม่ใช่มองให้เห็นมือนะแต่มองให้เห็นทั้งมืออ่ไม่ไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าให้เห็นทั้งมือแบบสบายสบา ย, บายแล้วหลับตาเวลาหลับตาเนี่ยยังนึกถึงอยู่นะไม่ต้องเอามือลงนะแค่ยังนึกถึงว่าสายตาของเราที่ มันมองอยู่ในจุดที่สบายนะที่สามารถเห็นฝ่ามือได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นจุดนั้นแหละที่มันจะเป็นโฟกัสที่ถูกสำหรับคุณนะถูกยังไงถูกในแบบที่คุณสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าถ้าสายตา ย, ยังอยู่กับจุดนั้นเนี่ยลมหายใจของคุณนะจะถูกรู้ถูกเข็นได้ง่ายนะถูกรู้ถูกเข็นได้สบาย แลถ้าเมื่ อ, อไรที่รู้สึกตัวว่าสายตาคุณลอกแรกลอกแรกก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่ดูบ่อยเท่าที่จําเป็นนะลืมตาขึ้นมาเพื่อที่จะปรับสายตามไม่ใช่เพื่อให้เห็นอะไรนะเพื่อที่จะปรับระยะสายตาปรับโฟกัสให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางก็หากว่ามันอยู่ถูกที่ถูกทางแล้ว ลมหายใจเนี่ยแทบจะปรากฏของมันเองเลยโดยไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปเลงไม่ต้องไปพยายามอะไรทั้งสิ้นนะสายตานะโฟกัสที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของการเห็นจากข้างในนะคนมักนึกกันว่าพอหลับตาแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรแล้วจริงๆแล้วนะสายตาเนี่ยมันยังทำงานอยู่มันยังพยายามเห็นอะไรอย่างหนึ่งอยู่นะนี่คือความเคยชินที่เรา มันเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมาสายตานะถ้าตามใดที่เรายังไม่หลับมันจะพยายามหาภาพอะไรขึ้นมามันพยายามเห็นอะไรขึ้นมาให้ได้สักอย่างถ้ามันมองไม่เห็นเหมือนกับเข้าป่าลกมันก็พยายามจะจินตนาการขึ้นมานี่แหละมันถึงไม่ได้สงบมันถึงทำสมาธิกันไม่ค่อยได้แต่ถ้าหากว่าเรามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนนะว่าเราจะให้โฟกัสของสายตาอยู่ในจุดที่สบาย เพื่อจะเห็นลมหายใจได้ง่ายๆตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราทำอาณาปานสติได้เพราะเห็นลมหายใจนะว่ามันผ่านเข้าผ่านออกจนกระทั่งมันเหมือนกับเป็นลมขาวๆนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณ สามารถเห็นได้ง่ายๆว่ามันเริ่มหายใจเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่มันเริ่มหายใจออกตั้งแต่เมื่อไหร่มันหยุดลมหายใจตั้งแต่เมื่อไหร่นะแล้วมันเริ่มเข้ามาใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงนี้แค่น้อมพิจารณานิดเดียวว่าทั้งลมเข้าทั้งลมออกนะเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นเนี่ยมันไม่เท่าเดิมมันไม่เคยเป็นลมท่าเดิมมันมันไม่เคยเป็นลมสายเดิมเลยนะมันเป็นแค่ท่าลม ที่เปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาไม่เคยมีสายลมไหนที่เป็นสายลมเดิมนับแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แต่เราเนี่ยด้วยอุปทานเนี่ยนะด้วยอาการที่จิตมันหลงยึดติดเนี่ยมันนึกว่าเป็นลมหายใจเดิมเป็นการหายใจของคนเดิมนะแล้วเป็นลมหายใจที่เป็นสมบัติของเราคนเดิมแต่พอมาเห็นด้วยไอ มนโนทวาร น, นะเห็นจากในหวองมนโนทวารที่แจ่มชัดที่มันมีความสว่างว่าลมหายใจเนี่ยมันไม่เคยซ้ํามันเข้าแล้วก็ออกนะลมเข้ากับลมออกนี้ก็คนละลมกันแล้วนะลมที่เข้าไปคลุกคล้าวกับไอปอดไอสิ่งที่อยู่ในปอดนะพอมันออกมาเนี่ยมันร้อนขึ้นมันมีไออุ่นมากขึ้นนะหรือว่าบางลมเนี่ยนะมันมาได้แค่สั้นๆ ร่างกายต้องการแค่นั้นแต่บางลมเนี่ยร่างกายเปิดรับนะที่จะลากลมยาวเข้าแล้วก็ระบายลมยาวออกมันจะเห็นชัดเจนเป็นภาพเลยนะเป็นภาพขาวๆ ข, ข, ของสายลมเลยว่าเนี่ยมันไม่เท่าเดิมมันไม่เหมือนเดิมและไม่เคยเป็นลมเดิมตรงนี้แหละที่เรียกว่าอนาปานสติคือจุดเริ่มต้นของอนาปานสติมันเกิดจากการเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวของเรา เราไม่ได้อยู่ในลมหายใจแบบนี้พอเริ่มทําอานาปานสติเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเฉียดนิพพานนิดเดียวเฉียดจะบรรลุมรรคผลได้นิดเดียวนะเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจได้มั่นใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาพร้อมกับลมหายใจเป็นของไม่เที่ยงได้เช่นกันไม่ว่าลมหายใจที่มันยาวจะพาความสุขมาขนาดไหนชื่นบานเหมือนกันอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะแป๊บหนึ่ง นะอาจจะชั่วโมงหนึ่งต่อมามันจะลดระดับลงกลายเป็นลมหายใจสั้นนะแต่ถ้ามือใหม่ฝึกใหม่ๆเนี่ยลมหายใจยาวได้แค่สองครั้งแล้วมันก็จะกลับเป็นลมหายใจสั้นนะเกิดความอึดอัดไม่เท่าเดิมขึ้นมาเนี่ยมันพอมันยอมรับได้ว่ามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์นะบางลมหายใจพาความสุขเข้ามาบางลมหายใจพาความทุกข์เข้ามาเนี่ยมันเห็นความทุกข์กับความสุขเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง เสมอกันกับลมหายใจแล้วก็ให้คะแนนเท่ากันนะไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกเนี่ยมีค่าเท่ากันตรงที่ยังไงมันก็ต้องหายไปไม่ใช่ของของเรานะและ้วคุณจะไม่ทำสมาธิแบบผิดๆอีกเลยทำสมาธิผิดแบบผิดๆเป็นยังไงแบบที่ว่านะคาดหมายจะเอาแต่ความสุขนะถ้าวันไหนทำแล้วไม่เกิดความสุขเกิดความรู้สึก น้อยเนื้อต่ําใจตัวเองขึ้นมาน้อยเนื้อต่ําใจว่าสนาหรือน้อยเนื้อต่ําใจเทวดานะมันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนคิดไปต่างๆนานาเพราะทำสมาธิไม่สําเร็จแต่ถ้าหากว่าทําอาณาปานสติได้แบบที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเวลาที่เกิดความสุขขึ้นมาก็เออสุขมันเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็แปรปลี่ยนไปไม่ไปติดใจไม่ไปให้คะแนนอะไรกับมันแล้วพอหายใจแบบ ไม่เป็นนะหายใจแล้วอึดอัดหรือมีความทุกข์มีเรื่องราวอะไรอยู่นะสังเกตลมหายใจนี้มันมีแต ก, ก้อนอะไรแน่นๆมันมีแตความร้อนอะไรที่มันแผ่ไปทั่วร่างกายก็ไม่รู้สึกทุรนทุรายไม่ได้อยากให้มันหายไปจากร่างกายหรือจิตใจของเราอย่างรวดเร็วนะเพราะสังเกตเห็นจนเกิดความเชื่อจนเกิดความไม่ใช่ความเชื่อนะสังเกตเห็นจนก้าวข้ามความเชื่อ ไปสู่การเห็นแจ้งว่าทั้งสุขและทั้งทุกข์เนี่ยที่มากับลมหายใจแต่ละลมหายใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เคยเป็นตัวเดิมและไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่ลมเดียวไม่เคยเป็นของเราแม้แต่ความทุกข์หรือความสุขเดียวนะตัวเนี้ยมันก็จะนําไปสู่การเห็นที่ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นจะเป็นความคิดก็ดีจะเป็นความสว่างก็ดีจะเป็นความมืดก็ดี จะเป็นความพุ้งร่างก็ดีจะเป็นความสงบก็ดีทั้งหลายทั้งปวงที่มันปรากฏอยู่ในขอบเขตของกายใจนี้เนี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจก็เลยอยากที่จะให้มันเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวเราของของเราแล้วก็สมบัติที่ติดตัวเราตลอดไปตรงนี้แหละถ้าเรามาถึงจุดสรุปที่ว่าเราสามารถใช้ ลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตภาวะทั้งหลายภายในกายใจนี้ได้นะและเห็นมันไม่ไม่เท่าเดิมไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวเรานี่แหละคืออานาปานาสติที่สมบูรณ์เมื่อใดที่มันพิจนารณาแล้วเกิดความปิติเกิดความอิ่มใจว่าเออเราเห็นแล้วนะภาวะความไม่เที่ยงแม้แต่ความปิติแม้แต่ความสมานณ์หรือแม้แต่ความสุขที่กําลังเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากยึด ใจไม่อยากจะเอาอะไรอะไรไว้เป็นของตัวนะเป็นอิสระมีความเบิกบานขึ้นมาอีกแบบหนึ่งตรงนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาณาปานสติเป็นทางที่จะทำให้เข้าถึงนะการบรรลุมรรคผลหรือว่าการบรรลุธรรมถ้าหากว่าเราเข้าไปถึงตรงที่นะร่างกายและจิตใจตั้งอยู่ มีขึ้นเพียงเพื่อดูว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราตรงนั้นแหละที่มันใกล้แล้วตรงนั้นตรงนั้นแหละที่มันเฉียดแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเรามีแต่ความถามมีแต่ความอยากมีแต่ความาพูดง่ายง่ายว่าจะเอามรักเอาผลให้ตัวเองมีตัวเราตัวหนึ่งที่จะได้มรักผลไอ้นั่นาห่าง ห่างมากนะถ้าใครยังถามถามอยู่ว่าเมื่อไรฉันจะถึงมรรคผลลักทีนั่นแหละคำถามนั่นแหละตัวมิเตอร์บอกได้ดีเลยนะว่ายังห่างอยู่มากแต่ถ้าเมื่อไรมันไม่มีคำถามตรงนั้นแล้วมีแต่ความสบายใจมีแต่ความวางใจมีแต่ความรู้เฉพาะนะ้าว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับลมหายใจนี้แล้วมีแต่ความเบาไม่มีความอยากไม่มีความกระสับกระส่ายไม่มีความกระวลกระวายอะไรเลย นะมีแต่เห็นว่าไอ้นี่ก็เกิดขึ้นไอ้นี่ก็ดับไปไอ้นี่เกิดขึ้นใหม่มาใหม่นะเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายไปอีกไม่เคยมีตัวไหนที่มันเป็นรูปร่างหน้าตาของเราตัวเดิมเลยไม่เคยมีตัวไหนที่คงที่อยู่กับเราเลยนี่ตัวนี้แหละที่มันเฉียดที่มันใกล้นิดเดียวกับการบรรลุมรรคผลนิพพานนะถ้า คุณเข้าใจจุดนี้ได้ก็สามารถเอาไปถ่ายทอดให้ลูกเข้าใจได้แต่ไม่ใช่พูดอย่างที่ผมพูดตอนนี้นะลูกไม่มีทางเข้าใจนะพูดเรื่องไม่มีตัวตนพูดเรื่องไม่เที่ยงอะไรเนี่ยนะลูกจะทำหน้าง ง, งเสมอนะแต่ถ้าหากว่าเราค่อยๆฝึกให้เขาหายใจเป็นค่อยๆทำให้เขามีโฟกัสสายตาที่อยู่กับที่ได้นะในเวลาไม่นานเนี่ย ตั้งข้อสังเกตเขาไปเรื่อยๆเออมันไม่เท่าเดิมใช่ไหมลูกมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมลูกเออตรงวั น, นวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เท่าเมื่อวานใช่ไหมนะอธิตย์ก่อนเนี่ยมันยังดีไม่เท่านี้ใช่ไหมพูดถึงความไม่เที่ยงให้เขาจับจุดสังเกตไปเรื่อยๆวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีนะภายในเวลาไม่กี่ปีก่อนเขาสิบขวบเขาอาจจะเป็นพยานของพระศาสนาให้เราก็ได้ นะเอาละคิดว่าเรื่องที่จะพูดฝ่ายเดียวนะก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ที่นี้มีคำถามอะไรนะก็เชิญเลยอ่ะครับเอาเลยครับ สวัสดีค่ะมีคําถามอะค่ะคือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิตอะค่ะถ้าจิตฟุ้งอะค่ะจะพยายามเออไม่พยายามสินะ้จะจัดการกับมันยังไงหรือจะดูมันยังไงเพื่อที่จะคือมีความอยากอยากให้มันนิ่งตรงเนี้ยมันทรมานอะค่ะาทางออกไม่ได้ค่ะอันนี้ยหาปัญหา แทนที่จะอยากให้มันนิ่งนะลองสังเกตว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะอย่างอย่างที่ผมมาดไปเมื่อกี้เนี่ยคืออันเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยไม่มีใครจับพิรุธหรือว่ารู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรที่มันผิดปกตินะแค่เอามือทาบหน้าท้องเนี่ยแล้วดูไปเรื่อยๆนะคือมันจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่กำลังฟุ้งเนี่ยหน้าท้องมันจะเกร็งนะฝ่าเท้าก็เกร็ง ฝ่ามือก็ฝ่ามือก็เกรงนะใบหน้ามันจะตึงๆเนี่ยแค่เราสังเกตเฉยๆนะเวลาที่เรากำลังพุงซ่านเนี่ยอย่าไปอยากให้มันหายพุงซ่านพอสังเกตว่าฝ่า เ, เท้ากำลังเกรงอยู่นะมือกำลังจิกจิกอยู่หรือว่าตัวกาลังเกรงแน่นๆอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าในลมหายใจต่อมาเนี่ยร่างกายมันผ่อนคลายลงไปได้เองเพราะว่าเราจับจุดได้แล้วไงว่า ที่เกรงเนี่ยนะมันเกรงจากฝ่าเท้าเกรงที่ฝ่ามือเพราะฝ่าเท้าคลายฝ่ามือคลายทุกอย่างในร่างกายมันก็พลอยคลายตามไปด้วยนะหรือว่าที่หน้าผากสําหรับอย่างอย่างของคุณเนี่ยนะคือบางทีอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแน่นๆอยู่นะตอนตอนที่เรากําลังเครียดหรือว่าเรากําลังคิดมากหรือว่าเรากําลังอยากให้มันหายฟุง้งเนี่ยแล้วของคุณเนี่ยถึงแม้ว่า ฝ่าเท้าจะคลายแล้วฝ่ามือจะคลายแล้วบางทีเนี่ยมันก็ยังตึงๆ ต, ตรงนี้ได้นะก็ให้สังเกตต่อไปว่าที่มันตึงได้เนี่ยนะมันจะตึงได้สักกี่ลมหายใจถ้ามีอาการเร่งมีอาการอยากให้หายทันทีปุ๊บมันจะแน่นขึ้นมาอีกเนี่ยก็ให้สังเกตแบบนี้สังเกตจนกว่าจะเห็นความจริงไม่ใช่สังเกตจ น, นเกิดความอยากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นะสังเกตจนกว่าจะเห็นความจริงว่ามันอยู่ได้กี่ลมหายใจอาการเกรงนั้นมันถึงจะคลายออกอาการขมวดมันถึงจะคลายออกอาการที่ฝ่าเท้ามันถึงจะสบายอาการที่ฝ่ามือมันถึงจะผ่อนคลายนะสังเกตอยู่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะพบความจริงขึ้นมาอีกว่าบางทีแม้ว่ามันจะคลายไปแล้วสองสามลมหายใจต่อมามันอาจจะกลับมาเกรงขึ้นมาอีกนะ การที่เราเห็นมันคลายบ้างมันกลับมาเกรงบ้างเนี่ยนี่ก็คือเห็นความไม่เที่ยงซึ่งกำลังแสดงออกผ่านร่างกายแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยเห็นไหมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยแค่นี้มันก็ไม่ได้อยากหายปุ้งแล้วมันแค่รู้สึกว่าเราสามารถทำอะไรสบายๆได้โดยไม่ต้องให้มันหายปุ้งก็ได้นะอาการอยากให้หายปุ้งอ่ะเป็นแค่ความไม่เข้าใจว่าความฟุ้งซ่านเนี่ย มันดับไปไม่ได้หรอกถ้าเรายังอยากให้มันหายปุ้งอยู่ถ้าเรายังอยากที่จะเป็นสมาธิถ้าเรายังอยากที่จะเลิกคิดนะตัวความอยากตราบใดที่มันยังอยู่ในใจตราบนั้นเนี่ยมันไม่มีทางหายปุ้งเพราะมันคือต้นเหตุทั้งหมดของความปุ้งเลยความอยากเนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนความอยากเป็นการสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นมันแน่นอยู่หรือว่ามันคลายออกนะ เนี่ยจับจุดแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยจําให้ได้แม่นแม่นเลยนะเริ่มจากฝ่าเท้าฝ่ามือเนี่ยแลเอามือจับหน้าท้องอยู่เนี่ยนะที่หายใจมันหายใจด้วยอาการที่หน้าท้องเนี่ยมันแน่นแน่นเกร็งๆกร็งไหมแล้วที่มันแน่นแ่นเกร็งเกเนี่ยหน้าท้องเนี่ยมันแน่นอยู่ได้กี่ลมหายใจก่อนที่มันจะค่อยๆส ม, มูทขึ้นมาได้บ้างสังเกตอยู่แค่นี้นะจนกระทั่งคุณเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกอย่างนึงเลยว่าฉันไม่ได้อยากจะ เลิกฟุ้งซ่านฉันไม่ได้อยากจะหายฟุ้งซ่านแต่ฉันอยากจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องฟุ้งมากต่างหากตอนที่เรากำลังฟุ้งซ่านจัดจัดเนี่ยนะมันไม่รู้จะรู้อะไรมันไม่รู้จะตั้งจิตไว้ที่ไหนมันก็เลยเมื่อแล้วก็ออกอ่าวเนเมื่อไหร่ที่จิตเริ่มออกอ่าวเมื่อ น, นั้นแหละที่มันเริ่มหยุดไม่ได้เหมือนกับต้องถูกคลื่นทะเลเนี่ย มันซัดไปทางซ้ายทีขวาทีโดยที่เราไม่มีหางเสือที่จะไปบังคับควบคุมให้มันไปทิศทางที่เราต้องการนะตัวนี้เนี่ยไอความรู้สึกออกอ่าวอ่ะเป็นความรู้สึกที่ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยากจะส ง, งบอยากจะหายฟุ้งซ่านแต่ถ้าเรามีจุดหมายสังเกตดูซิเนี่ยเท้าเนี่ยเนี่ยสังเกตดูตอนนี้ได้เลยไม่ต้องหลับตาก็ได้นะเท้าเกรงอยู่ไหม ถ้ามันผ่อนคลายมันสบายขึ้นมาทันทีพื้นจิตพื้นใจมันอยู่ที่นี่นะฟีดแบ็มันอยู่ที่นี่นะนะว่าฝ่าเท้าของเราเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่าสภาพจิตของเราเป็นยังไงถ้ามันมีอาการขมวดอยู่นะจิตมีอาการขมวดอยู่มันก็ไปขมวดที่เท้าด้วยไปขมวดที่มือด้วยไปขมวดที่คิ้วด้วยนะตึงแน่นขมับด้วยแต่ถ้าสังเกตออกว่านี่ฝ่าเท้ากำลังกำลังเกร็งกําลังจิกพื้นอยู่นะแล้วเราคลายออกวางเท้า ให้มันเหยียบพื้นราบสบายๆเนี่ยพื้นจิตพื้นใจมันเปลี่ยนทันทีมันกลายเป็นความรู้สึกมีความมั่นคงมากขึ้นมันมีความรู้สึกสบายมากขึ้นมันมีความรู้สึกว่าความผุ้งซ่านมันลดลงไปได้ยังไงก็ไม่รู้ครึ่งหนึ่งยิ่งถ้าหากว่าเราสังเกตอยู่เออเดี๋ยวมันกลับมานะเดี๋ยวมันก็กลับมาเกรงเดี๋ยวมันก็กลับมา เ, เกิดความขามวด เ, เกิดการอะไรขึ้นมาแล้วเราสังเกตใหม่ไม่เลิกนะรอบแล้วรอบเล่าที่ผ่านไปเนี่ยนะเราจะค่อยๆเกิดความตระหนักว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ของของเราที่จะไปควบคุมให้มันเลิกฟุง้งหรือไม่เลิกฟุง้งแต่เราสามารถที่จะกำหนดทิศ ท, ทางให้กับจิตได้ว่าจะให้มันรู้อะไรว่าจะให้มันเห็นอะไรหรือตั้งอยู่ที่ไหน ถ้ามันไม่ตั้งอยู่ที่ไหนเลยมันออกอาวแล้วเราก็จะทรามานใจซ้ำไปซ้ำมาตลอดชีวิตแต่ถ้าเรารู้ว่าที่ตั้งอันไม่เป็นโทษที่ตั้งอันเป็นคุณแก่จิตมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือก้าวแรกนะของชีวิตที่เหลือนะที่เราจะอยู่กับความมีสติรู้ตื่นตามจริงนะครับ สวัสดีค่ะคเป็นคุณครูนะคะ อ, อ, อยากจะถามคุณนันตินว่าดูไกลๆนึกว่าเด็กนักเรียนนะเนี่ย <laughs> หน้าตายังอ่อนอยู่เลยค่ะหรือหรือ <c oughs> ว่ามันจะเป็นเพราะระยะไกลเถวไปไกลๆคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่คุณนันตินตอบคุณแม่นะคะครูปามีความสงสัยว่าอย่างเวลาที่เด็กๆนั่งเรียนหนังสือค่ะสิ่งที่เราเจอคือบางทีเนี่ยเด็กๆจะเมอ ทีนี้สิ่งที่คุณครูทําคือเรียกชื่อหรือไม่ก็คือเดินไปหาแล้วก็ใช้วิธีแตะตัวนิดนึงให้เขากลับมาอันนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่คุณครูใช้อยู่ทีนี้อยากทราบว่ามันมีวิธีอื่นที่มันสามารถจะทาให้เด็กๆ ก, กลับมาได้เร็วขึ้นหรือว่าลดอาการการเมาของเขาได้ได้ไ ด, ได้ได้มากขึ้นนะคะมันมีวิธีการไหนบั้งคะ อันนี้ผมเองอาจจะมีประสบการณ์น้อยกว่าคุณครูนะที่คอนแทคกับเด็กอะ่ะอันนี้พูดพูดกันตรงไปตรงมาก่อนจากประสบการณ์ตรงอย่างเดียวเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ได้จริงๆก็คือว่าพูดในสิ่งที่เด็กอยากจะฟังซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ที่มันจะพูดถึงสิ่งที่เด็กอยากจะฟังตลอดเวลานะมันต้องมีบ้างที่แบบบางทีเนี่ยเรา เราพูดตามเนื้อหาที่จะต้องเดินไปดำเนินไปในชั่วโมงนั้นอะไรเงี้ยนะอย่างจากที่ผมสังเกตลูกตัวเองเขาดื้อตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาเลยจริงๆนะนี่คือ อ, อย่างถ้าคือเขาจะเป็นคือเด็กเนี่ยอันนี้คุยได้เปลี่ยนกันกะ คนรู้จักมาหลายคนเนี่ยนะเขบอกว่าลูกของลูกของพวกเราเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทคือเกิดมาวันแรกๆเนี่ยรู้เรื่องรู้แบบว่าพูดเอาอย่างอย่างของผมเนี่ยนะคือคุณแม่ของแฟนเนี่ยบอกว่ารู้ไหมป้าป๊าอยู่ไหนเขาเหลือบตามามองถูกแบบเพ่งตาแป๋วเลยนะ เออคือแสดงออกถึงการรับรู้ว่ามีโจทย์อะไรให้เขาแล้วเขาจะตอบสนองออกมายัางไงแต่เด็กบางคนก็พูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะมันแล้วแต่คนแต่พอโตๆขึ้นมามันเหมือนกันหมดคือเป็นเบบี๋นะฮะมันผ่านการอืผ่านการฉี่ผ่านการาการ้องอุเวเนี่ยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ต้องน้องแรกแขกเชอร์อะไรเนะี่ยจะ มีความเคยมีความแตกต่างกันในขั้นพื้นฐานเนี่ยนะในวันแรกๆยังไงพอสองสามขวบมันเหมือนกันหมดเป็นเบบีเหมือนกันหมดอ่าอย่างลูกผมเนี่ยคือพูดเนี่ยนะถ้าเขาไม่อยากจะฟังเนี่ยเขาปิดเลยจะสกรีนออกเลยเห็นมาตั้งแต่วันแรกๆแต่ถ้าผู้ถูกใจเนี่ยหันมายิ้มให้นะ เขาแบบยิ้มเก๋เลยนะเป็นพระเอกเลยเอไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าสัญชาตญาณของเด็กคือมันจะเปิดหูเปิดตารับเฉพาะสิ่งที่มันอยากจะรับรู้หรือว่าได้มานะถ้าถ้าเราทำไว้ในใจแบบนี้ว่าเด็กเนี่ยเป็นช่องรับ เป็นประตูรับสิ่งที่เขาพร้อมจะงับพร้อมจะรับได้เนี่ยเราเราจะเราจะเห็นอย่างหนึง่งว่าสิ่งที่เรากำลังป้อนเข้าหูเข้าตาเขาเนี่ยนะมันมีช่องรับหรือเปล่าอันนี้เป็นเบสิกก่อนพอพ อ, พอเราเห็นเป็นภาพคือไม่ใช่แค่เข้าใจเป็นในเชิงทฤษฎีนะ ทุกคนนะรู้หมดแล้วถ้าพูดกันด้วยความคิดแต่อันนี้ผมกาลังพูดให้เห็นภาพว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันกาลังเปิดหรือว่าปิดนึกออกใช่ไหมเวลาที่ปิดเนี่ยเขาจะหันหน้าหันตาหนีเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเรามองผ่านหน้าตาเขานะหรืออาการหันหน้าหันตาหนีเนี่ยเราจะเข้าไปสัมผัสถึงจิตที่ปิดของเขาอยู่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้จากประสบการณ์ ยังเวลาผมสอนลูกตรงๆตั้งแต่วันแรกๆมาจนกระทั่งบัตรนี้ก็ตามเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเรากำลังสอนเขาหรือว่าสั่งสอนเขาหรือว่าตักเตือนนะมันจะมีอาการต่อต้านหรือมีอาการทำเป็นหูทวนลมคือคือไม่มีอาการแบบ พ่อไม่ต้องพูดเนี่ยไม่ไม่ต้องแบบนี้นะแต่คืออยู่เฉยๆเนี่ยแต่ไม่รู้ไม่รับเนี่ยไอเนี่ยคือไม่รู้ไม่ชี้แต่มันจะมีอยู่จังหวะที่เราไม่ต้องการที่จะพูดเขาก็มาเรียกร้องให้เราพูดนั่นคือจังหวะที่เราจะเล่ า, น, านิทานเวลาที่ บอกว่าอ่ะเหนือจะเล่านิทานให้ฟังหูพึงเลยนะทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเคยเล่านิทานให้เขาฟังอย่างสนุกมาก่อนแล้วเขาติดใจเพราะว่าสิ่งที่สนุกที่สุดในโลกสาหรับเด็กก่อนสิบขวบเนะี่ยไม่ใช่กระตูนไม่ใช่สามมิติไม่ใช่ไปนั่งรถไฟเหาะนะแต่เป็นจินตนาการที่อยู่ในหัวของเขาเอง นี่คือสิ่งที่สนุกที่สุดในโลกถ้าคุณทบทวนดูตอนที่คุณยังเป็นเด็กอยู่คุณจะจำได้นะไม่มีอะไรสนุกเท่าจินตนาการในหัวพ o i n คืออย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่เล่านิทานเก่งแล้วลูกสนใจฟังเสมอถึงขั้นนะมาขยาวแงวแ ง, วงว่ว่าเล่านิทานให้ฟังหน่อยนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณสังเกตนะตอนที่เขาจะฟังนิทานเนี่ย ใจเขาเนี่ยเปิดรับแบบกว้างเลยเนะี่ยเหมือนกว้างเป็นกระด้งเลยนะเออคือมันพร้อมที่จะงับเต็มที่เลยกับทุกคาที่เราจะใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านิทานเนี่ยเป็นวิธีเป็นช่องทางที่จะสอนเด็กได้ดีที่สุดในโลกไม่มีวิธีไหนที่เราจะทำได้ดีกว่านี้อีกแล้วผ่านช่องทางไหนได้ดีกว่าช่องทางนี้อีกแล้วถ้านิทานของเรา เป็นนิทานที่ทำให้เด็กตื่นตัวได้ก็หมายความว่าเสียงของเราในขณะเล่านิทานเนี่ยเป็นเสียงที่เขาคุ้นจะจำไว้ว่าอันเนี้ยพอเสียงแบบนี้มาเนี่ยเขาจะตื่นตัวทีนี้โยงกับคาตอบยังไงโยงตรงที่ว่าถ้าเราเล่านิทานเก่งแล้วในขณะที่สอนนะและเห็นเขาเมอเราใช้เสียงแบบเล่านิทาน มันจะไปมันจะเหมือนกับลั่นไกอ่ะมันจะเป็นทริกเกอร์ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนโหมดจากโหมดเมื่อไม่สนใจไก่ไป็นมาสนใจโฟกัสได้เสร็จ แ, แล้วพูดง่ายๆนะเราอาจจะอุทิศเวลาสักครึ่งนาทีสำหรับเด็กที่มันกำลังเมื่อดึงเขากลับมาด้วยเสียงแบบเล่านิทานอาจจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรเฉพาะหนาอาจจะ สร้างนิทานสั้นๆเกี่ยวกับตัวของเราเองขึ้นม า, าที่นี่เด็กแบบนี้เนี่ยนะเด็กผีหรือว่าเด็กเทพนะเนะี่ยอะไรเนี่ยคือพอคําว่าผีคําว่าเทพเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะแบบเล่นๆ น, นะไม่ใช่แบบที่เราจะไปดูเราจะไปเอ็ดเขานะมันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยตาตื่นหูตื่นขึ้นมานะมันมันมีอะไรที่มันลิงก์กับสิ่งที่เขาพอใจ สิ่งนี้เขาสนุกทำให้มันเปิดเครื่องรับขึ้นมาพอใจพลอยนะหมดคำถามไล้ใช่ไหมครับครับผมเออถามนิดนึงค่ะอย่างเมื่อกี้ที่สอนอนาปนาณสติเราให้ดูลมหายใจเข้าออกอะคะ่ะ ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เห็นชัดตอนลมออกแต่ลมเข้าไม่ค่อยชัดไม่ชัดเลยแล้วที่ผ่านมาก็ฝึกดูบ้างก็จะเป็นนี้อยู่ตลอดแต่ว่าถ้าทําตามที่คุณดังทรินบอกเมื่อกี้ใช้มือจับอันนี้มันมันมันชัดอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้มือสัมผัสเนาะก็เลยอยากรู้ว่าถ้าในภาวะปกติที่เราไม่ได้ตั้งใจทำอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นชัดแต่ลมออก จำเป็นต้องพยายามดึงให้ชัดตรงข้าด้วยไหมนะฮะเป็นการเหมือนกับว่าเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเราใช้ฝ่ามือเป็นเครื่องทุ่นแรงเป็นเครื่องช่วยให้มันเกิดวิชั่นง่ายๆเพราะว่าสัมผัสเนี่ยนะทุกสัมผัสเวลาที่เราหลับตาไปตับตบเท่าที่เราสามารถระลึกได้ถึงสัมผัสนะภายในเนื้อตัวเนี่ยมันจะเกิดวิชั่นขึ้นมาเสมอ นะตัวเนี้ยเราใช้เป็นตัวช่วยไม่ใช่จะให้มันอยู่กับเราตลอดไปยิ่งเรามีความเคยชินมีความเหมือนกับชำนาญ น, นะที่จะเห็นเป็นวิชันแบบนั้นนะ่มากขึ้นเท่าไหร่ความต้องการมือมาช่วยเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆอย่างไอ้ตรงเนี้ยนะคือคือจริงๆเนะี่ยผม ผมผมวางมือของผมเองนะแต่เสร็จแล้วพอไปคุยกันน้องที่เป็นจิตแพทย์เด็กอะปรากฏ ว, ว่าพวกหมอเด็กใช้กันอยู่แล้วที่จะใช้ไกด์ให้เด็กๆ เ, เนี่ยได้มีสมาธิหรือว่าโฟกัสอยู่กับลมหายใจตัวเองก็ใช้กันจริงๆว่าคือจะมีวิธีมีขั้นตอนอะไรในการวางมือในการสังเกตอะไรเยอะแยะแต่แต่ผมเอาแค่ของผมแบบนี้แหละ แค่มันดันขึ้นมาแล้วมันยุบลงไปอะไรเงี้ยนะประเด็นคือคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าพอใช้ฝ่ามือมามันไม่เก่งนะเหมือนต้องมีเครื่องช่วยนะแล้วเดี๋ยวมันจะผิดแบบผิดกติกาอะไรโบราณโบราณเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะบางบางทีมันมันจะมีคิดอะไรไปต่างๆนานานะนี่เราก็บอกตัวเองไว้ใช้เป็นเครื่องช่วยเพื่อให้เกิดความเพื่อเกิดทิศทางหรือว่าแนวทาง ในระดับหนึ่งพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้เครื่องช่วยอีกพอมันเกิดความชินพอมันเกิดความชนานาญพอมันเกิดความเห็นขึ้นมาชัดๆแล้วอย่างทุกวันนี้ผมไม่เคยใช้แล้วโดยส่วนตัวเลยเนี่ยตั้งแต่ฝึกมาเนี่ยบอกตรงๆว่าก็ไม่เคยใช้นะมาวางมืออะไรเนี่ยเพราะมันอย่างของผมเองเนี่ยผมใช้เวลาหลายปีกว่าจะจับจุดถูก ว่ามันต้องสังเกตยังไงท้องป่องออกมาท้องยุบลงไปนะเอ๊ะมันจะมีคำกำกับดีไหมไม่มีคำกำกับดีไหมลองผิดลองถูกมาเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งกว่าที่มันจะได้ข้อสรุปให้กับตัวเองแล้วผมก็เคยอยากจะนะแบบแหนเสียดายนะเนี่ยถ้าตอนเริ่มเริ่มมีใครมาสอนมาไกด์ซะหน่อยเนี่ยโดยไม่ต้องมาจับจุดเองเนี่ย โหมันจะเยี่ยมมากเลยผมจะแบบก้าวหน้าตั้งแต่อายุยังน้อยๆ อ, อะไรเงี้ยนะคือพอมาจับจุดถูกเนี่ยก็ก็ใช้เวลาหลายปีนี้ก็จะบอกว่าการใช้ฝ่ามือก็ดีการโฟกัสสายตาก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนะแต่มันเป็นเครื่องช่วยวิธีจริงๆเนี่ยคือจิตของเราเนี่รับรู้อะไร รับรู้ว่าลมหายใจมันเข้าหรือมันออกมันยาวหรือมันสั้นนะเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราอันนี้คือแกนสารการใช้มือเนี่ยแป๊บเดียวนะแต่ว่าตราบเท่าที่เรายังไม่สามารถมีสติเลี้ยงตัวเองได้ก็ใช้เครื่องช่วยไปก่อนนะ จะเรียนถามนิดนึงอะค่ะว่าถ้าทำอาณาปนสติแล้วมันหลับอะค่ะจะมีวิธีช่วยยังไงได้บ้างคะมีครับคื อ, อ, อพอจะหลับนะหลับเลยครับนะถ้าหากว่ามันมันจะมีอยู่สองระดับนะระดับที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยนี่กำลังจะหลับแล้วนะอันนี้ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้นะแต่พอคือไม่พูดอะไรกับตัวเองเลย นะฟุ๊กไปเลยเนี่ยไม่ต้องช่วยนะไม่ต้องหาทางนะมันมันเป็นมันมันดีอยู่แล้วนะะคือได้หลับมันก็ดีกว่าได้ปุ้งสร้านไม่หยุดเนะี่ยจริงไหม <c oughs> นี่เพื่อที่จะานานๆทีหลับทีนะก็เนี่ยอย่างอย่างที่ผมบอกเนี่ย การที่เราสังเกตออกแล้วก็การที่เราหายใจยาวเป็นมันจะทำให้สดชื่นและในความสดชื่นสังเกตเถอะว่าความง่วงเนี่ยมันไม่อยู่ด้วยกันความสดชื่นกับความง่วงจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจยาวได้บ่อยๆมันก็จะมีโอกาสง่วงได้น้อยลงแต่ทีนี้ถ้าช่วงต้นๆมานะ เรายังแบบว่าเคยชินนะเป็นเกลอเก่ากับความง่วงอยู่ก็ไม่ต้องไปพยายามฝืนทําให้มันกลายเป็นศัตรูของเรานะให้มันเป็นเพื่อนเราอยู่เหมือนเดิมแหละแต่สังเกตสังเกตว่าพอหายใจยาวได้ความง่วงมันจะหายไปความปลอดโปร่งหัวหูโล่งตาสว่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแทนที่แล้วพอหายใจสั้นนะมันจะกลับมา ง่วงใหม่มันจะกลับมามีแนวโน้มที่จะง่วงใหม่นี่ตัวเนี้เราสังเกตไปเรื่อยๆเพราะจับจุดถูกว่าเออหายใจยาวมันไม่ง่วงหายใจสั้นเริ่มง่วงแล้วนะนี่ตอนนี้ยังน้อยที่สุดเราอธิบายตัวเองได้เป็นเหตุเป็นผลว่าความง่วงเกิดจากอะไรในการในตอนทำสมาธินะจากนั้น ไม่ต้องไปพยายามต่อสู้ไม่ต้องไปพยายามฝืนไม่ต้องไปพยายามต้านนะถ้ามันจะง่วงนะก็ให้มันง่วงไปอย่างมีเหตุผลอย่างอย่างเข้าใจเหตุเข้าใจผลนะเพื่ออะไรเพื่อให้สติของเรามันตื่นขึ้นมาอีกแบบหนึง่งมันรู้ว่าจังหวะแบบนี้ของลมหายใจเนี่ยมันจะทําให้อ่าเข้าสู่ความเคยชินแบบเดิมๆในทางที่คล้อยไปสู่ความหลับ แต่หายใจอีกแบบหนึง่งสดชื่นตื่นเต็มแบบสบายๆไม่มีอาการเกร็งไม่มีอาการฝืนนะหัวหูมันจะโลง่งมันมันจะตื่นมันจะสบายพอเข้าใจเหตุผลของอนัตตาทางความง่วงแบบนี้แล้วมันจะค่อยๆมีแก่ใจจิตนะมันจะค่อยๆฉลาดขึ้นนะมันจะค่อยๆตื่นขึ้นเพื่อที่จะสังเกตการว่าตรงนี้เป็นอ่า ลมสั้นตรงนี้เป็นลมยาวนะเมื่อไรที่เราไปถึงจุดนั้นคุณจะพบว่าร่างกายมันจะตอบสนองกับความเคยชินทางจิตแบบใหม่คือหายใจยาวได้หลายครั้งมากขึ้นคือตรงนี้บังคับไม่ได้นะร่างกายเนี่ยถ้าคุณไปบังคับให้หายใจยาวยาวเอายาวเอายาวเอาเนี่ยในที่สุดมันเครียดแล้วมันจะอึดอัดแล้วมันก็ง่วง แล้วมันก็ยิ่งมีความรู้สึกไม่อยากทำแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายของคุณมันตอบสนองกับกจิตที่ฉลาดขึ้นเองโดยไม่มีการบังคับโดยไม่มีการฝืนนะคุณเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันยืดหยุ่นเหมือนลูกโป่งนะที่พองตัวได้มากขึ้นแล้วก็ยุบตัวได้มากขึ้นแล้วมีความรู้สึกสบายอยู่มีความสบายที่เลี้ยงตัวอยู่โดยไม่ได้มีอาการพยายามควบคุมหรืออาการฝืนใดๆนะ ตัวนี้แหละที่ความง่วงจะหายไปเองตามธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่หายไปเพราะว่าเราไปฝืนหรือไปพยายามต่อสู้กับมันเข้าใจพอยไหมคาถามต่อไปครับสวัสดีครับฝากเรียนถามอาจารย์ดังกลินนะครับครับผมว่าพอดีที่ปัญหาของทับพบุครองเมื่อกี้เรื่องของการฟุ้งนะครับผมก็ใช้วิธีการ แก้ปัญหาแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมนะครับครับคือผมก็จะมีเรื่องฟุ้งทุกวันนะเพราะว่าบางทีผมก็แบบวันวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่เรากระทำต่อคนอื่นกิจกรรมครับโดยจะเป็นความคิดหรือวาจาหรือว่าทางใจต่างๆเนี่ยบางทีเราทำคนอื่นหรือคนอื่นก็ทํากับเรานะครับเราก็จะเครียดเราก็จะมีความว่าคิดว่าเอ๊ยมาทําไมมาทํากับเรานะคือบางทีเราก็มาว่างไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับ ทุกคืนก่อนนอนเนี่ยผมก็จะนอนแล้วก็หายใจลึกๆยาวๆเนี่ยประมาณสัก5นาทีนะให้แบบมันยาวให้มันเบาๆฮะให้มันลึกให้มันยาวแล้วก็เบาเนี่ยประมาณสักสินาทีรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นเสร็จแล้วผมก็จ ะ, ะแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับตัวเองและแผ่เมตตาให้กับคนอื่นๆนะที่อยู่รอบตัวเรานะครับ พอเราแผ่เมตตาเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราอาจจะกระทำไม่ดีกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าใจหรือการทางกายต่างๆเนี่ยเราก็ให้อภัยกับตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ึเราก็ความพุงต่างๆมันก็ลดลงหรือบางทีสิ่งที่เขามาทำกับเราเนี่ยบางทีเราก็คิดนู่นคิดนี่คิดอยู่นั่นแหละอย่างเขาว่าเราครั้งเดียวตอนเช้าก็คิดอยู่นั่นแหละคิดเป็นสิบครั้ง50ครั้งร้อยครั้ง แต่พอมาตอนเย็นพอเรามาเรามาแผ่เมตตาให้เขาว่าเราให้อาภาัยเขาไอ้ตรงต่างมันก็ค่อยๆหายไปนะครับมันก็ค่อยๆเบาไปแล้วก็ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะการที่ผมทําอย่างเงี้ยไอผมรู้สึกว่าทําให้ใจเราผ่อนคลายขึ้นและเราก็เราก็หลับสบายขึ้นและพอพอใจเรารู้สึกเราให้อาภัยกับตัวเองให้กับอาภัยคนอื่นเหมือนก็ว่ามาคิดขอบคุณแทนไอ้ขอบคุณหนะ้าที่เราได้บทเรียนว่าไอ้สิ่งที่เราทําผิดไปเนี้ย ขอบคุณนะที่เป็นครูให้กับเราแล้วเราก็จะไม่ทํามันอีกหรือไอสิ่งเขาทาเราเขาอาจจะมีเหตุผลของเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เร า, าคุยกับเขาใหม่นะครับแตืน่นมาผมก็จ ะ, ะนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งแล้วก็พอไปที่ทํางานเนี่ยบางทีถ้าผมทําอะไรจะผิดขเขาเนะี่ยผมก็จะไปขอโทษเขาขอโทษนะที่เมื่อวานผมทําอะไรไม่ดีกับคุณแล้วก็ให้อภัยในสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเรา ผมก็รู้ว่าเอิญการใช้ที่ตะวันมันก็เริ่มดีขึ้นโอ้แต่ก่อนก็น่าตามครื่องเครียดมากช้ามาจะต้องไปด่าอย่างเดียวเลยนะาเอ้ยมึงทำไม่ดีอย่างงน้นอย่างนี้นะเปลี่ยนแปลว่าแทนที่จะไปด่าคือไปไปขอโทษแทนในสิ่งที่เราทําผิดกับเขาและให้อภัยในสิ่งที่เขาทาผิดกับเราผมคิบรรยากาศที่ทำงานมันดีขึ้นนะครับไม่ถ้าว่าอย่างนี้มันดีอย่่่าางเเเนนนนีีน้้ป็สสิททพพรระนะุจลใก เพราะพระเจ้าจะสอนแผ่มเมตตาเนี่ยท่านให้พิจารณาว่าออไอ้ความโกรธเนี่ยมันเหมือนโรคนะแล้วความพยาบาทความแค้นเคืองอะไรต่างๆที่บอกว่าคิดคิดไม่หยุดนั่นแนะ่ะไอ้ตัวนะั้นคือความพยาบาทถ้าเรามาสงบจิตสงบใจหรือว่าชะล้างมันออกด้วยความสุขจะโดยสมาธิหรือจะโดยอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับการรักษาโรคทางใจนะ แล้วก็ถ้าเรายิ่งทำให้มันมีความอยู่ตัวมีความสม่ำเสมอนะพูดง่ายๆว่าทำได้ทุกวันมันก็กลายเป็นกระแสของเมตตาที่มันแผ่ออกมามากกว่ากระแสความโกรธกระแสของโทสะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนี้ถ้าขยอบขึ้นไปอีกแค่นิดเดียวมันกลายเป็น การเจริญสติมันกลายเป็นวิปัสสนานะซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของศาสนาเราก็คือว่าเราเห็นว่าทั้งความโกรธแล้วก็ทั้งการอภัยการเมตตาเนี่ยมันมาด้วยเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแล้วการที่มัน อ, อยู่ได้นานแค่ไหนก่อนที่จะรับสิ่งกระทบใหม่เข้ามาเนี่ยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันโดยความเป็นภาวะปรุงแต่ง ไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวเราที่มีความแน่นอนเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะต่อยอดขึ้นมากลายเป็นการเจริญสติที่สมบูรณ์ครับครับคำถามต่อไปครับคือที่เห็นเนี่ยของอย่างของพี่เนี่ยตอนเด็กตอนวัยรุ่นหรือตอนหนุ่มๆจะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่แตเนี่ยคือพี่จะสังเกตได้พอเราแผ่เมตตาไปได้จนเคยชินเนี่ยมันจะรู้สึกว่าข้างในของเราเนี่ยมันยังกลุนกลุนอยู่มันยังกลุนกลุนอยู่ลึกๆนะนะมันยังกวนกระวายอยู่เกือบตลอดเวลาแต่ว่าข้างนอกอะ่ะมันจะนิ่งขึ้นพี่จะสังเกตได้ว่ากระแสของใจเราเนี่ยมันเหมือนแผ่ออกนะมันเหมือนพร้อมจะเย็นแต่ไม่เย็นจริง นึกออกไหมฮทีนี้ถ้าพี่สังเกตได้ว่าเออมันมีกระแสนะทั้งภายนอกและภายในที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เรื่อยๆระหว่างร้อนกับเย็นเนี่ยแล้วเห็นมันเป็นภาวะปรุงแต่งของจิตตัวเนี้มันจะทำให้เย็นจริงคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะต่อยอดขึ้นมามันจะเป็นสติเห็นว่าทั้งเย็นทั้งร้อนไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นแค่ของปรุงแต่งจิตชั่วคราวเพ่าอันนี้จริงๆพี่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะมันปรกากฏชัดอยู่เรื่อยๆคือคือพี่ไปไหนเนี่ยพี่จะรู้สึกไงว่าข้างในเนี่ยมันเหมือนมีอะไรกลุ้นกลนมันเหมือนพร้อมจะร้อนแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีความคิดแล้วก็มีไอกระแสของจิตเนี่ยที่พร้อมจะเย็นเช่นกันมันจะเหมือนขัดกัน มันจะเหมือนกับพี่ยังไม่ได้อยู่ตรงไหนแน่นอนซึ่งมันมีข้อดีถ้าหากว่าเราเอามาพิจารณาว่านี่คือความปรุงแต่งจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสอนอคนแล้วบรรลุธรรมกันง่ายๆเนี่ยนะท่านสอนตรงเนี้ยบอกเห็นว่าเนี่ยสักแต่เป็นอาการปรุงแต่งของจิตไม่ใช่ตัวเรานะว่ เ, เห็นไปเรื่อยๆเนี่ย มันเกิดความรู้สึกตื่นขึ้นมาเองว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราเจริงๆด้วยมันพร้อมจะพลิกกลับไปกลับมาอย่างอย่างนาทีหนึ่งนะมันไวมากที่สามารถที่จะโกรธได้แบบว่าห้ามใจตัวเองไม่ได้ทํำยังไงก็ไม่ทันแต่อีกนาทีหนึ่งมันสามารถพลิกกลับมาเออมันมีความเคยชินนี้ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งที่เราจะวาง ตัวที่พี่บอกว่าพี่อภัยนะี่จริงๆก็คือวางวางในอาการปรุงแต่งที่มันร้อนเพราะเราเห็นอยู่เรื่อยๆว่ามันปรุงแต่งแบบร้อนมันปรุงแต่งแบบเย็นไม่ใช่ตัวเราสักอย่างทั้งตัวเย็นตัวร้อนเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างตอนเนี้ยที่ที่พี่จะรู้สึกเหมือ น, นมันมีสติขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่เห็นความเย็นความร้อนเป็นของเป็นโฟก e g r o แต่ปกติเนี่ยพี่จะอยู่กับมันเป็นตัวใดตัวหนึ่งนึกออกใช่ไหม พอร้อนเราก็รู้สึกว่าเรากําลังโกรธอยู่มีตัวเราโกรธอยู่แต่พอเย็นพี่ก็รู้สึกว่าพี่เอาชนะได้และรู้สึกว่าตัวเราเย็นอยู่เนี่ยมันมีตัวเราแต่พอเห็นด้วยการพิจารณาว่าทั้งเย็นทั้งร้อนเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งช่วงแรกๆอ่ะพี่บอกตัวเองว่าเนี่ยเรียกว่าภาวะปรุงแต่งทางจิตเป็นของชั่วคราวเป็นภาวะปรุงแต่งชั่วคราวในที่สุดเนี่ย พอพี่บอกตัวเองอย่างนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นว่าเออทั้งเย็นทั้งร้อนเนี่ยมีให้ดูเป็นโฟลรกาวไอ้ที่รู้อยู่นะมีสติอยู่เป็นแบ็กกราวเนี่ยตัวเนี้ยที่เราต้องการตัวที่ไม่มีเราตัวที่ดูความเย็นความร้อนแสดงหลอกแล้วก็ล่อให้เราเข้าไปลงยึดนะครับเชิญครับเมื่อกี้ ครับเชิญครับฮัลโหลค่ะเอ อ, อเพอิญว่าถ้าเกิดว่าต่อจากฟุ้งร้านเหมือนกันนะนะคะว่าบางทีขณะที่กําลังลองทําที่ว่าแตะท้องมันเราก็ยังรู้สึกว่าจิตมันยังไม่นิ่งมันยังซัดสายคราวนี้เราจะใช้คําบริกรรมเข้ามาช่วยได้ไหมคะหรือว่าควรจะ <c oughs> ถ้ามีความเคยชินที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดกติกาอะไรแต่ว่าประเด็นคือให้สังเกตนะฮะ ว่าตอนที่เรารู้สึกถึงท้องที่พองขึ้นมาบ้างยุบลงไปบ้างเนี่ยมันมีความอึดอัดหรือว่ามีความสบายตรงเนี้ยจุดใหญ่ใจความอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราไม่สังเกตที่ตรงความอึดอัดหรือความสบายนะแล้วเรากระโดดไปจับกับคําบริกรรมอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทั้งหมดที่เราได้คือคําบริกรรมเข้าใจพอยนะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้จริงๆคือการเห็นภาวะของกายใจไม่ใช่คำบริกรรมแต่คำบริกรรมไม่ได้ผิดถ้าหากว่ามันช่วยจัดระเบียบให้ความคิดของเราได้เราต้องเข้าใจนะมองเห็นภาพรวมให้ชัดเจนนะว่าคำบริกรรมคือการจัดระเบียบความคิดใหม่จากเดิมที่มันสุ่มแบบไร้จุดหมายให้มันมาซ้ำ เข้าทางเดิมนะเพื่อให้จิตเนี่ยมันเดินเป็นหนึ่งสองสามหรือไม่ ก, ก็เดินวนอยู่ในที่ที่ชัดเจนเหมือนการเดินวนรอบเสาคําบริกรรมจะพุโทโธจะยุบหนอพองหนอจะสัมมาอระหังหรือว่าจะเป็นคําบริกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะคือการเปลี่ยนความคิดที่ไม่แน่ไม่นอนให้เป็นความคิดที่แน่นอน นะถ้าเราอยู่กับความคิดที่แน่นอนได้ตรงนั้นเนี่ยจิตมันเริ่มพร้อมที่จะจับอะไรก็ได้นะเป็นเป็นหลักเป็นแก่นสารนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยนะพอได้ความนิ่งจากคําบริกรรมหรือเคยชินที่จะบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะ พอเคยชินอย่างนั้นปุ๊บมันจะไม่ยอมผ่านคำบริกรรมเข้ามาสังเกตภาวะทางกายใจผมถึงบอกว่าถ้าจะบริกรรมไม่เป็นไรด้วยความเคยชินหรือว่าด้วยการที่เราเคยประสบความสำเร็จมาบ้างจากการบริกรรมนะแต่อย่าลืมสังเกตควบคู่ไปด้วยว่าที่หายใจอยู่เนี่ยที่บริกรรมอยู่เนี่ยมันสบายหรือมันอึดอัดเพราะว่าไอ้ความสบายหรือความอึดอัดที่เราสามารถตอบตัวเองถูกเนี่ย อย่างน้อยมันทำให้สติถูกปลุกขึ้นมาเห็นภาวะภายในไม่ไม่ใช่จับคำบริกรรมอย่างเดียวนะฮะครับคุณคะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งค่ะว่าคุณคุณดังทรินพอจะมีเทคนิคเวลาที่ลูกเกเรแล้วดื้อไหมคะที่จะแชร์ค่ะเล่านิทานให้เขาฟัง ม, มันมีเรื่องผีเด็กดื้ออยู่นะ คือจริงๆแล้วตอนที่ลูกดื้อเนี่ยคือเขาไม่เห็นภาพว่าอารมณ์ของเขาเป็นหน้าตาเป็นยังไงเขามีแต่อาการแล่นไปตามสิ่งที่เขาต้องการใันนี้ถ้าเราทำให้เข า, าเห็นภาพได้ว่าตอนเขาดือ้อหรือว่าตอนที่เขามีจิตที่มันเกเรนะมันมีหน้าตาเหมือนกับผีสักตัวหนึ่ง ตัวนี้เนี่ยเราจะสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นคือไม่ต้องดูในนิทานก็นได้เราพูดกับเขาเองเนว่าคือคือเหมือนกับสร้างภาพให้เขาเห็นก่อนว่าเนี่ยลูกดูดิเห็นไหมเนี่ยตอนเดินไปที่ห้างเนี่ยเด็กคนนั้นเน่ที่มันกำลังวอยวายดิ้นปัดปัดอยู่เนี่ยมันเหมือนผีเลยนะแล้วพอพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะจำว่าผีเนี่ยคืออาการดิ้นปัดปัด คื อ, อาการน้องงวกเวกโวยวายคืออาการที่แบบทำหน้าทำตาเนี่ยแบบเหมือนไม่ใช่มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะอะพอเขามาเกิดอาการด้วยตัวเองเนี่ยจำได้ไหมจําได้ไหมเนีย่ยผีแบบนะี้ผีปั ด, ปดๆเนี่ยนะผีโวกเวกอะไรเนี่ยเออลูกจําได้ไหมหน้าตามันเป็นไงเนี่ยตอนนี้มันกําลังเกาะลูกอยู่เนี่ยเขาจะนึกออกแล้วก็จะ ทำให้เราสื่อสารมีอะไรให้สื่อสารกับเขาเพราะปกติเนี่ยนะเวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยผมเองก็ตามตอนที่ลูกไม่ได้อย่างใจอะ่ะบอกทำไมต้องทำอย่างนี้นะหยุดซ่นะมีเหตุผลบ้างนะตอนนั้นมั น, <laughs> ม, นมันจะเอาอะไรไปมีเหตุผลไดนะ้อารมณ์มันกำลังพุ่งประลอดแตกอยู่เนี่ยนะ สิ่งที่เราจะหยุดเขาได้คือภาพภาพในใจคือเด็กเนี่ยนะถ้ามันมีภาพในใจที่เป็นที่รู้ตัวเข้ามาเนี่ยรู้อารมณ์ตัวเองเข้ามาว่ากำลังเป็นลบกำลังเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่ากำลังเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะมันจะหยุดอันนี้เห็นมาคือพิสูจน์มาเยอะมากจริงๆนะออพอพอเขาเห็นภาพตัวเองได้อ่ะ คือคือย้อนกลับเข้ามาเรากับว่ามองจากสายตาภายนอกมาเห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังน่าเกลียดน่ากลัวนะก่อนสิบขวบนะจะหยุดทุกคนต่อให้เคยก้าแล้วต่อให้เคยอารวาต่อให้เคยไม่ดีมายังไงก็ตาม เ, เพราะพอเราสามารถทำให้เขาเห็นภาพอารมณ์ของเขาเองได้ในแบบที่มันน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยเขาจะหยุด แล้วก็เวลาที่เราสื่อสารกับเขาด้วยแนวทางของอาการให้เห็นภาพอารมณ์เนี่ยเขาจะเกิดจินตนาการของเขาเองต่อยอดเวลาที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีหรือว่ า, อ, าอยู่ในภาวะที่มันพูดง่ายๆว่าเฉียด เข้าทางปีศาจหรือว่าทางนรกหรือว่าทางอะไรที่เราเคยป้อนเข้าสมองเขาเนี่ยนะเขาจะเกิดความกลัวภาวะนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตัวนี้นที่ที่เหมือนกับว่ามันอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ผมพบว่ามันเวิร์ในระยะยาวส่วนที่ว่าจะมีอุบายระยะสั้นเฉพาะแน่อย่างไรเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับความฉลาดคิดของเรา เฉพาะหุดนั้นนะที่จะแอพพลายเอาที่จะด้นสดเอาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแก่นสารมันอยู่ตรงนี้ว่าทำยังไงถ้าเขาเห็นภาพตัวเองเห็นภาพตัวเองที่มันมันเป็นภาพอารมณ์ภายในนะขอบคุณค่ะ จะลบกวนเรียนถามเรื่องการปฏิบัตินะคะคือว่าเดิมนะทีเนี่ยก็ใช้วิธีอนาปนาสติมาแล้วก็ออพ อ, พอตามรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะความที่มันสงบมันมีความสุขแล้วบางทีมันก็เข้าสู่ความว่างก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันความรู้สึกตัวมันหายไปก็เลยก็จะใช้วิธีการแก้ด้วยการลืมตาละลืมตาแล้วก็บางครั้งเราก็ ตามลมหายใจต่อไปแต่บางครั้งเราก็เปลี่ยนวิธีเป็นเคลื่อนไหวมือแทนเพื่อจะให้รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกตัวที่ยังชัดอยู่ไม่ทราบว่าการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะหมายความว่าใจเราเนี่ยสเปคของเรานะการปฏิบัติการเจริญสติการทําสมาธิหมายถึงการที่ต้องไม่ลืมตัวนะต้องไม่ว่างต้องไม่หายไปซึ่งสเปคแบบนี้ผิดนะไม่ใช่ว่า พอเกิดภาวะอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเรียกภาวะอื่นมาสิ่งที่เป็นสติจำไม่เลยนะคีย์เวิร์ดของสตินะฮะคือการที่เรารู้ตามจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่รู้ตามใจอยากว่าควรให้เป็นยังไงถ้าเราตั้งสเปคไว้ก่อนว่าควรให้มันเป็นยังไงปุ๊บนี่ไม่ใช่สตินี่คือการตั้งความอยากตั้งเป้าไว้ว่าจะอยากยังไงเอาให้ได้ยังไงนะ แม้ฝ่ายที่อยากจะให้ได้ว่างก็ผิดแม้ฝ่ายที่อยากจะเนี่ยแบบนี้ให้ยังรู้ตัวอยู่มีตัวมีตนมีร่างกายมีความรู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยนี่ก็ผิดไม่ว่าเราจะตั้งสเปคอะไรไว้ผิดหมดแต่ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจ เป็นสัมมาทิฏฐินะว่าสติคือการเห็นภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ตามความเป็นจริงนี่ถูกอย่างถ้ามันว่างจะว่างไปขนาดไหนจะไม่มีตัวตนจะเบาจะหายไปเป็นชั่วโมงจะหายไปเป็นวันให้มันหายไปรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆว่านี่ความว่างมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่จิตจําไว้เลยนะสุดท้ายเลยเนี่ย ปรากฏการทั้งหลายทั้งปวงในการเจริญสติมันมาลงที่จิตเสมอพระพุทธเจ้าถึงม่ตรัสขึ้นต้นมาเนี่ยให้ดูกายก่อนดูกายเสร็จเออให้ดูว่ากำลังทุกข์หรือกาลังสุขเนี่ยเวทนานะฮะจากนั้นเนี่ยค่อยไปดูว่าภาวะของจิตมันต่างกันไงท่านจัดคู่ให้ดูเลยนะเอาแบบหยาบๆบก่อนเนะย ให้รู้ว่าขณะ น, นี้จิตมีราคะหรือไม่มีราคะจิตมีราคาไปแล้วแล้วเสริมราคะไปแล้วจิตมีโทสะนะแล้วเสื่อมโทสะไปหรื อ, อยังเมื่อไหร่จิตมีโมหะไหมมีโมหะมันจะมีอะไรเหมือนกับคลอบหนาหนาแล้ววนเวียนไปวนเวียนมาโมหะหายไปจากจิตหรือ ย, อยังนะแล้วก็จิตสงบอยู่หรือว่าจิตฟุ้งซ่านอยู่ท่านให้ดูนะตอนแรกผมก็งงนะ ว, ว่าเวลา เ, เกิดปรากฏการณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยมันจะถามตัวเองเราไปถึงไหนแล้วแล้วก็มักจะจินตนาการเป็นแฟนตาซีขึ้นมานะว่านี่เราไปถึงสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้นะเรากําลังได้ชานระดับนั้นระดับนี้อะไรต่าง ๆ, ๆทงัๆ้งๆที่ตอนนั้ น, นมันไม่ได้เลยเลยนะสมาธิก็ยังไม่ได้เลยมันมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่อุดทัศจะกักกุจจักนะมีความฟุ้งไปในธรรมแล้วก็ วิจารณ์ไปต่างๆนะว่าตัวเองกําลังเข้าถึงภาวะนั้นเข้าถึงภาวะนี้เนี่ยผิดหมดเลยมันเป็นภาวะฟุ้งซ่านไปทางนั้นแต่ถ้าหากว่าเรากําลังประสบมีประสบการณ์ความว่างมีปรากฏมีปรากฏการณ์ความเบาความสบายขึ้นมาแล้วเรารู้ไปว่านั่นเป็นสภาพการปรุงแต่งของจิตณนะขณะนั้นคือมาลงที่คําว่าจิต จิตกําลังมีความเบาจิตกําลังมีความว่างจิตกําลังไม่มีนิมิตจิตกําลังไม่มีอะไรห่อหุ้มนะเสร็จแล้วพอมีความพุ้งซ่านกลับมาก็เออจิตมีความฟุ้งซ่านขณะนี้มีความฟุ้งซ่านอยู่ในจิตนะอันนี้ตามจิตตานุปัสสนาเลยท่านใช้คํานี้นะมีความฟุ้งซ่านอยู่ในจิตนะจิตฟุ้งซ่านไปแล้วก็จิตกลับมาสงบหายฟุ้งซ่านเรารู้ไปตามจริงเพื่อที่จะให้เห็นปรากฏการ ต่างๆของจิตที่มันไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆถ้าจิตมันจะสงบมันจะาหายไปเลยตัวตนหายไปนะไม่ต้องไปพยายามทำอะไรกับมันทั้งสิ้นให้บอกตัวเองระลึกว่าขณะนั้นจิตกาลังว่างขณะนั้นจิตกาลังรู้สึกว่าไม่มีตัวขณะนั้นจิตสว่างหรือจิตมืดเราสังเกต ร, รายละเอียดไปรายละเอียดอะไรกาลังปรากฏเด่นให้สังเกต ลงไปที่รายละเอียดนั้นเพื่อที่จะให้เห็นว่ารายละเอียดนั้นเนี่ยนะมันมีความแตกต่างไปเมื่อไหร่ถ้าไม่มีลมหายใจให้สังเกต<ๆ>ก็ไม่ต้องเอานะไม่ต้องไปพยายามเรียกลมหายใจกลับมาถ้าไม่มีตัวนั่งนะให้รู้ว่ากำลังนั่งอยู่ไม่ต้องไปพยายามเรียกกลับมาให้ดูเฉพาะตอนที่มันรู้สึกว่าว่างแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละ ดูจนกว่ามันจะกลับมีอะไรขึ้นมาเมื่อไรก็ให้เห็นตามนั้นตามจริงนะฮะว่ามันหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันเ็ากลับมาดูอย่างนี้แหละมันจะกลายเป็นการเห็นความไม่เที่ยงของจิตในแบบละเอียดขึ้นมานะครับที่บ้านเรียกตัวแล้วไหม <c oughs> อ, อ๋อหรือมาด้วยกันโอเคครับเชิญ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับเปิด กด น, ดนิดหนึ่งฮะให้มันเขียวเกี่ยวกับการพิจารณามรณานุสติเนี่ย ค, ค่ะครับสึกว่าคือจะใช้วิธีที่ว่าเราดูลมหายใจแบบนั้นแล้วก็มีคำภาวนาด้วยไหมฮะที่ว่าเกี่ยวกับพิจารณาถึงเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยฮะมรณานุนสติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ เหมือนกับคุยกันเยอะในเมืองไทยเราเนี่ยในแวดวงการปฏิบัติเนี่ยนะว่าตกลงมันทํำยังไงกันแน่ถ้าเอาแบบดั้งเดิมเลยนะเอาของเดิมเลยนะที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเนี่ยนะท่านสอนให้เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยรู้รู้สึกถึงลมหายใจก่อนพอรู้สึกถึงลมหายใจได้มันจะรู้สึกถึงอิริยาบถปัจจุบันขึ้นมาโดยอัตโนมัติรู้ว่าเนี่ยกำลังนั่งอยู่รู้ว่าเนี่ยกำลังนอนอยู่นะในอาการนั่งอยู่นอนอยู่เนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาว่าเออ ไอ้ที่อยู่ในขอบเขตของความเป็นกายเนี่ยมันกําลังมีความแออัดยัดแน่นไปด้วยของสกปรกนะฮแล้วในของสกปรกเนี่ยพอดูไปดูไปเนี่ยมันชัดขึ้นเดี๋ยวเห็นตับไตไส้พุงเดี๋ยวเห็นโน่นนี่นั่นเนี่ยมันจะมีการวิวัตรมันมีธรรมชาติของการเห็นนะว่าไอ้ของพวกเนี่ยธรรมดาธรรมชาติของมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเสื่อมสลายลงเดี๋ยวมันต้องแตกพังลง ไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นมรณานุสติของจริงตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานสนะแต่ทีนี้ก็จะมีกุบายจา์ชั้นหลังก็ให้พิจารณาว่าเออเรามีสิทธิ์ตายได้ทุกขณะแล้วก็ซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นการปุ้งซ่านไปสำหรับคนส่วนใหญ่พอมันนึกไม่ออกมันนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ hey, ยจะโดนรถชนตายเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงเราไม่เคยโดนชนเนี่ยนะ หรือเครื่องบินตกนี่ชนเขานี่เ็าจิตขาดไปเลยหรือเปล่ามันนึกไม่ออกมันนึกภาพไม่ได้นะไอตรงเนี้ยมันกลายเป็นอุธทธัจจักุกุจะคือฟุ้งไปในธรรมแทนที่จะได้ไอมรณ า, านุสติเจริญขึ้นจริงแต่เราก็มีหลักการได้ง่ายๆอย่างหนึ่งที่จะทำให้เห็นภาพจริงคือเอาความจริงณนะขณะที่กาลังอยู่ในนาทีนั้นนี นะสมมุติว่ากําลังทําสมาธิแล้วเกิดความอึดอัดเกิดความรู้สึกว่าวันนี้นั่งไม่ดีกระวนกระวายนะมันมีเรื่องอะไรฟุ้งยุ่งไปหมดเลยให้ถามตัวเองว่าไอ้ที่ฟุ้งยุ่งนั้นเนะ่ยเป็นลบหรือเป็นบวกเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลนะแล้วถ้าเราขาดใจตายไปในขณะแห่งความเป็นกุศลหรือว่าอากุศลนั้นนะเอ๊ะมันมันจะไปดีหรือไปร้าย เนี่ยตัวเนี้ยเอาความจริงเป็นตัวตั้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอพอถามตัวเองไปอย่างนี้เรื่อยๆนะตอนนี้เรากำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนเนี้ยจิตของเราเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลจิตจะค่อยๆฉลาดขึ้นบอกว่าเฮ้ยนี่ถ้ามันเป็นอกุศลบ่อยๆเนี่ยน่าเสียวไส้นะ <c oughs> คือคือมันเป็นภาวะที่ไว้ใจไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ เหมือนกับจิตเนี่ยมันกลิ้งของมันไปเรื่อยๆแปรปรวนของมันไปเรื่อยๆตามอำนาจของกิเลสตราบใดที่เรายังอยู่ในกำมือของกิเลสตราบนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันยังไว้ใจไม่ได้ถ้าเราเราลึกลึกอยู่เนี่ยณนะนะขณะที่กาลังอยากจะเจริญมรรณสตินะว่าสำรวจเข้าไปมันยังมีความคาใจอะไรอยู่บ้างพระพุทธเจ้าตรัส ถึงตรงนี้มากเลยนะถ้าจะเจริญมรณสติเนี่ยท่านให้ดูว่าเอ้ยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เจริญมรณสติหมายความว่าจะส่งคนตายเนี่ยนะท่านให้กี้ให้สังเกตตรงนี้มากๆากเลยว่าคนกําลังจะไปเนี่ยนะเขามีความคาใจอยู่กับอะไรพยายามถอดถอนให้เขาเลิกคาใจกับเรื่องนั้นให้ได้เพื่อที่จะให้เขาไปแบบตัวเบานะไอ้อนี่เวลาเราสํารวจเข้ามาก็เหมือนกันให้จะเอาแบบง่ายๆก็คื อ, อตอนเนี้ย ถ้าเราจะต้องตายนาะทีนี้เลยเรายังมีความคาใจอะไรอยู่บ้างพอสำรวจเข้าไปแบบนี้ปุ๊บมันเห็นของจริงเออมันมันจะมีภาพอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะไอ้ที่ใจเรายึดเราโยองอยู่จริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องลูกหลานจะเป็นเรื่องทรัพสมบัติจะเป็นเรื่องที่นะบางคนเนี่ยมีหนี้สินที่ไม่สบายใจบางคนมีความรู้สึกว่าเออยังไม่ได้ขอโทษยังไม่ได้เหมือนกับทาบางคนนะนี่จริงๆนะ น, นี้ไม่ได้พูดเฉพาะคนนะฮะบางคนเนี่ยมันจะมีความติดใจยอยู่เป็นสิบปีเลยนะ อ, อ, อ, อ, อยากไปขอโทษคนนี้แตม่มันก็ไม่อยากนะมันมันมีที่ถีมานะคือคือความอยากแรกเนี่ยมันคือความอยากจะล่งใจความอยากที่สองคือไม่อยากต้องปีนกำแพงที่ถีมานะของตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ย ถ้ามีความคาใจอะไรอยู่สำรวจแล้วเนี่ยสำรวจเข้าไปเนี่ยมันก็ยังเป็นความคาใจที่ชัดเจนเนี่ยให้พยายามทำให้ความคาใจนะั้นมันหายไปนี่ก็เป็นการเจริญมรณะสติอย่างหนึ่งคือทั้งหลายทั้งปวงนะคำว่ามรณะสติเนี่ยคือถอดถอนเอาความคาใจออกให้หมดยังพวงยังยึดยังโยองอะไรเนี่ยทำยังไงที่มันจะหายโยงหายยึด แล้วก็พอจิตเราเนี่ยเหมือนกับตอบตัวเองได้ว่าทำไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรให้โยงแล้วก็ดูเข้ามาในขั้นสุดท้ายว่าจิตของเราแหละยังกลัวจะไม่มีจิตอยู่ไหมชีวิตของเราแหละมันกลัวจ ะ, ะจะไม่ได้เกิดอีกไหมนะดูความกลัวนอกจากความยึดแล้วดูความกลัวว่าเรากลัวอะไรอีกบ้าง ส่วนใหญ่คนที่ภาวนามาเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวนรกเพราะมันมันรู้อยู่มันรู้สึกอยู่ว่าเฮ้ยภาวนามาเนี่ยมันรู้ตัวว่าเราคิดถึงแต่เรื่องที่เป็นกุศลนะแต่บางคนยิ่งภาวนายิ่งกลัวนรกนะบอกว่าฮยิ่งเห็นจิตของตัวเองเนี่ยไม่ดีขึ้นทุกทีนะแต่เดิมนึกว่าตัวเองเป็นคนดีมากนะ แล้วก็แบบชื่นชมสรรเสริญตัวเองเนี่ยต่า ง, า ง, างนาๆนานานะบางทีไม่มีใครชมก็แอ บ, บชมอยู่คนเดียวนะเราเนี่ยดีอย่า ง, งน้นเสียสละอย่างนี้นะแต่พอภาวนาขึ้นมาเนี่ยแล้วมีจิตที่ว่องไวสามารถเห็นนะแม้ขณะที่จิตมันไม่ดีจิตมันเป็นอกุศลคือพูดง่ายๆว่าอยู่ในภาวะที่มีสติดี ยอมรับได้ทุกภาวะไม่ว่าจะเป็นภาวะดีรหรือว่าภาวะแย่ภาวะเสียนะฮะมันก็เลยเห็นว่าโอ้โหเนีย่ยถ้าเทียบเป็นสเ ก, กลเนี่ยนะไอตัวที่มันไม่ดีเนี่ยไอตัวที่มันเป็นเฉียดเฉียจะเป็นปีศาจเนี่ยโอ้โหมันกินพื้นที่ทั้ง7จ็ดสิบปดิซนตะไอที่บอกว่าตัวเองดีมาสรนเสริญตัวเองต่า ง, ง, งๆนะ่างนมันยี่สิบนต์เท่านั้นเองของวันทั้งวันเนี่ย นอกนั้นมันเกือบจะเป็นปีศาจอยู่แล้วนก็เลยเนี่ยภาวนาถึงขั้นนี้ก็เลยกลัวตายขึ้นมากลัวตายในขณะที่อยู่ใน 80% ซของภาคปีศาจอย่างนี้ก็มีนี้ประเด็นของมราาสติเนี่ยมันมาช่วยตรงนี้แหละถ้าเรามีสติดีพอที่จะเห็นตัวเองทั้งหมดเห็นทั้งหมดของตัวเองแล้วรู้ตัว ว่ามันยังอยู่ใน 80%! 70%! หรือ 60%! ที่มันไม่ดีพอมีมรณสติเข้ามาเนี่ยมันระลึกได้เฮ้ยตรงไหนที่เรายังขอนไม่ได้ตรงไหนที่เรายังเอาออกไม่หมดตรงไหนที่มันยังเปื้อนตรงไหนที่มันยังเลอะเทอะนะมันจะไม่ไปเรียกร้องเอากับใครนะแต่จะมากระนำเอากับตัวเองเนี่ยจะมาจี้จะมาชัยเอากับตัวเองเนี่ยอะให้ hey, ตรงนี้เอาออกให้ได้ เพื่อที่มันจะได้สบายใจแล้วพอเจริญสติต่อไปวัน ต, ต, ต่อมาเห็นเออมันดีขึ้นจริงๆมันได้ผลนะมันเวิร์กนะมนรณสติเนี่ยพอคิดว่าเออเราอย่าประมาทนะว่าจะตายเมื่อไหร่อีกนานถึงจะตายนะฮะนีออ่ผมเคยเจอบ่อยะ เ, เจอล่าสุดเนี่ย อันนี้เอามาเล่าให้ฟังเยอะเลยนะที่จัดงานพระประธานครั้งทุดท้ายถ้าใครพอทราบนะเกี่ยวกับงานตรงนี้เนี่ย <c oughs> มีคุณแม่ของน้องคนหนึ่งก็รู้จักกันสนิทพอสมควรก็ไปอยู่ในงานด้วยนะนักแกก็ชื่นใจมากเห็นพระประธานเป็นสิบสิบองค์มาเรียงกันอยู่เนี่ย ก็มีความเบิกบานอากาศร้อนอากาศอะไรยังไงเนี่ยแกไม่สนแกมีความรู้สึกว่าได้ที่พึ่งของชีวิตเสร็จ แ, แล้วสามวันต่อมาน้องโทรมาเล่าให้ฟังคุณแม่เสียแล้วคือไม่ใช่เป็นโรคชรานะแต่ไปกินยาผิดกินยาตามคำแนะนำของเภสัช ร, ร้านขายยาแล้วกระเพาะเลื่อนไหลตายแบบกระทันหัน เสร็จแล้วเมียของน้องคนนี้ก็ฝันเห็นนะว่าคุณแม่เนี่ยมาแม่สามีเนี่ย อ, อ, อยู่กลางงานพระประธานแล้วก็มีสีหน้าสีตาป่องใสมากนะสวยมากแล้วก็ตรงกับทีเ่เหมือนกับคุณแม่เนี่ยมาบอกว่าสองสาวันหลังจากงานเนี่ยมันติดใจอยู่แค่นั้นนะไม่นึกถึงเรื่องอื่น มีแต่ความรู้สึกชุ่มชื่นมีแต่ความรู้สึกว่าอนี้อันนี้เหมือนกับเป็นที่ยืนสุดท้ายที่ปักหลักอยู่นะก็ถือว่าวันตายนั้นไม่ใช่วันอประมงคลแต่เป็นวันที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตของเธอได้ตายในจังหวะที่ดีที่สุดอันนี้ก็เลยจำมาพูดบอกว่าคำว่ามรณสติเนี่ยมันไม่ใช่นึกถึงความตายอย่างเดียวนะแต่ยึดอะไร เป็นเรือนตายยึดอะไรไว้ยึดอะไรที่มันเป็นกุศลยึดอะไรที่เป็นความสว่างไว้กับใจติดตัวอยู่ตลอดเวลาได้หรือเปล่าถ้ายึดได้เนี่ยมันพร้อมตายโดยไม่ต้องมีนิมิตหมายไม่ต้องมีหมอมาบอกนะีว่าจะตายเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี่เพราะอย่างกรณีนี้คือเขาเรียกว่าตายโดยความไม่คาดหมายนะภาษาทางโลกเขาบอกว่า ตายหงคือคือตายไม่ดีตายแบบที่ว่ามีเหตุมาเบียดเบียนให้ต้องตายกะทันหันไม่ใช่แก่ตายนะแต่ในทางธรรมเนี่ยาบอกว่าเนี่ยาาตายดีตายด้วยจิตที่ดีตายด้วยการมีสติพร้อมที่จะไปทุกเมื่อนะอ่ก็อันนี้ก็ก็พูดเสริมประกอบ เข้ามาในความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่ามรลนสติมรลนทสติไม่จำเป็นต้องมาย้ำกับตัวเองบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะตายมันจะต้องคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้นะไม่ใช่ไปตั้งใจไปลวงหน้าแต่เอาของจริงคิดใจเรา อ, อยู่กับตรงนั้นถ้ามาพร่ำบอกตัวเองบอกว่าจงคิดถึงพระอรหันต์จงคิดถึงพระพุทธเจ้าจงคิดถึงครูบาอาจารย์องนั้นอง น, น, องนี้แต่ใจจริงๆเนี่ยมันกลับไปยึดกลับไป คิดอะไรมั่วๆไม่มีประโยชน์นะเพราะของจริงจริงๆเลยเนี่ยที่จิตมันยึดเนี่ยไม่ใช่ความสว่างแต่เป็นความมืดในทางตรงข้ามไม่ได้คิดเลยนะว่าตัวเองจะตายหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะเจริญมรณะสติอะไรแต่จิตยึดอยู่กับความสว่างนะในช่วงจังหวะที่ดีที่สุดนั้นน่ตายในขณะที่จิตยึดอยู่กับความสว่างนั่นก็เรียกว่าตายไปกับสติอนุสติ ที่มันดีที่พร้อมจะตายนะครับผ ม, มอ่ะไม่อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะโอเค๋เยว <c oughs> อันนี้ถือไม่ก่อนคนถือไม่มีอภิสิทธิ์มากกว่าเช่นครับจะเรียนถามอาจารย์ว่า เ, ออเราพอดีแม่ป่วยนะคะแล้วเขาก็แต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วแต่ว่าข้างซ้า ย, ยไม่ทำงานแล้วก็ ทางด้านจิตใจรู้สึกว่าเขาเข้มแข็งแต่ช่วงหลังๆนี่ก็อายุเยอะแล้วนะคะแปกว่าแล้วก็พยายามจะไปก่อนนอนจะเข้าไปหาเขาแล้วก็ชวนเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็ถามเขาว่าเออเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นที่จะถามคืออยากจะรู้ว่าอยากจะถามว่าถ้าเราพาเขาก่อ น, นอนเนี่ยพาเขาเ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อม่ะแต่ว่าเป็นในโดยที่ไม่ไม่ไม่สื่อให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าบอกเขาสวดมนต์เขาก็ยังเขาก็ยังอยากดูละครอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากเพราะว่าดูจากการสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเขาเข้มแข็งแล้วแต่เราอยากจะพาเขาคุยแล้วก็เปลี่ยนเขาทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ทราบว่า อ, อ, อย่างเงี้ยเจออุบาย<ะ>ไหนอ่คื อ, อถ้าเป็นอุบายของบระพุทธเจ้านะท่านให้ตั้งทิศทางไว้ว่าสืบให้เจอว่าเขายัางยึดอะไรอยู่แล้วค่อยๆให้เขาถอดให้เขาถอนไอ้จุดนั้นนะแต่ยังปัจจุบันเนี่ย บางทีรู้ทั้งรู้เห็นเลยเห็นกับตาเลยเนี่ยึดละครอยู่เนี่ยไปบอกให้ถอนเนี่ยมันยากนะบอกแม่หยุดดูถูกด่าเลยนะ<ช>บางทีก็กลายเป็นว่าสิ่งที่อ่ะอย่างอ่ะยกตัวอย่างเลยนะคุณแม่ผมเองเนี่ยช่วงท้ายๆก่อนจะไปเนี่ยวันท้ายๆเลยนะสิ่งที่ขอเนี่ยบอกขอดูบางรักซอยเก <c oughs> ้าเนี่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้ดูละ คือคอแม่จะรู้ตัวผมก็ให้ดูแล้วก็ดูด้วยนะแต่คือก็จะคอยสังเกตนะ่ยว่าดูไปแล้วเนี่ยเขาคิดอะไรเขาเพราะพราะลครเนี่ยมันไม่มีหรอกที่แบบว่ามาแสดงธรรมอะไรแบบนี้นะมันมันมากับความสนุกแล้วบางทีมันสนุกแบบเลือเลอเถอะนะคือเราพอ พอเห็นว่ามันแบบจบแบบเลอะเลอะเทอะเทอะเนี่ยแล้วแม่เราฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรเงี้ยก็ตบๆให้ออมาคุยถึงเรื่องนั้นแหละนะที่คนนี้ี่มันไม่น่าไม่น่ามาแบบทำหน้าทำตาแบบนี้เลยนะเนี่ยแบบเดี๋ยวมาหลอกหลอนแม่ตอนหลับเนี่ยอะไรแบบนี้ก็จะเอาอะไรที่มันโยงกับเรื่องจริงนที่ที่เกิดขึ้นกับจิ ต, จตใจของแม่มาพูด เพื่อให้ถอนถอนออกจากอะไรที่มันไม่ดีคือบางทีเนี่ยมันไม่มีตายตัวหรอกว่าเฮ้ยเราจะต้องทําอย่างงี้ๆีนะแต่เรามีทิศ ท, ทางว่าแบบพระพรุทธเจ้าอ่ะบอกว่าถ้ายังคาใจถ้ายังติดอยู่กับอะไรไม่ดีเนี่ยให้ถอนออกซะมันขึ้นอยู่กับความฉลาดเฉพาะนหน้าของเราว่าเราจะถอนออกได้ยังไงนะคือประเด็นเมื่อคืนเนี่ยเขาพูดออกมาว่ารู้เรื่องไหมว่าเอ่อไม่รู้เอ่ยชื่อได้ไหม ทักสินจะกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วตอนที่ตอนที่มีประท้วงเนี่ยเขาก็ไปตลอดแล้วเขาก็อย่างที่บอกอลูกน้องก็ยังบอกว่าเออไปอามาได้ตังค์ไหมเขาบอกมาบอกว่าไม่เคยได้ตังค์เลยมีแต่เอาเงินไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วแม่ก็บอกว่าแล้วบอกว่าโอ้ยแม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเขาไม่มีอะไรแล้วเขาให้เขาบ้านเมืองเขาทาไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่า mm hmm. ถ้ามันกลับมาอีกกูจะไปอีกเขาก็บอกอย่างเงี้ยเราก็เลย ไม่รู้จะพาเขายัางไงดีอก็อันนี้ก็ดีนะที่ได้ฟังว่าอาจจะเอาไปเล่าต่อนหะเพราะจริงๆเ น, นี่ยคือจิตของคนเราเนี่ยอย่างตอนนี้อันนี้เล่าให้ฟังนี่เล่าถึงคุณแม่ผมเล่าถึงคุณพ่อคุณพ่อนี่ก็ยังเกลียดอยู่นั่นแหละ เกลียดคือมันมันเหมือนกับพอเราปักใจไปว่าไอ้นี่มันโกงไอ้นี่มันเลวเราก็เลยไม่ได้ดูนะคนอื่นนี่เป็นยงไงคือบางทีอ่ะเรื่องแบบนี้มันเป็นที่ระบบทั้งระบบเลยนะแล้วถ้าคืออันนี้ไปพูดไม่ได้อนะ่ะพูดพูดแล้วพูดแล้วมันมันจะแยกไม่ออกถ้าถ้าเราฝังใจหรือว่าปักใจอยู่กับอะไรไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอย่างอย่างผมเองเนี่ย คือคือผมไม่ได้มีความรู้สึกเปลียดชังนักการเมืองคนใดคนหนึ่งรู้จักเป็นคนที่รู้จักนักการเมืองคุณหญิงอ้อก็เคยคุยนะคือจะแล้ ว, ล ว, ลวไม่ไม่มีนะไอ้ที่แบบว่าจะมารักใครดร้วยความบบูชาเป็นไอดอลอะไรไม่มีนะแล้วในขณนะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เกลียดที่ตัวบุคคล แต่เห็นว่าระบบมันมาอย่างนี้แล้วในเกมชิงอำนาจไม่มีใครเป็นคนดีนะมันมันใช้วิธีเดียวกันหมดนะไปป้ายไปสร้างภาพให้อีกฝ่ายกลายเป็นปีศาและตัวเองเป็นเทพเหมือนกันหมดนี่อย่างแบบเวลาคุยกับคุณพ่อเนี่ยทุกวันนี้บางทีก็ไม่สบายใจเพราะว่าคือ มันพูดไม่ได้อะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเขาจะปักใจอยู่คนเดียวว่าเนี่ยโกงนะฮะเออมันมันทั้งๆ ท, ท, ที่ทุกอย่างมันชัดเจนอ่ะนะว่าไว่ไม่ใช่คนเดียวมันมันทั้งนั้นแหละนี้อ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วทำยังไงเนี่ยเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันนะ ว, ว่าใครชั่วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่เราเกลียดใครดังหากที่มันเป็นอะไรกับเรา ราความเกลียดเนี่ยเคยพูดกับพ่อตรงๆบอกว่าคือรู้นะว่าไอเนี้ยเข้าใจนะว่ามันเร็วจริงๆแต่แไอความเกลียดเนี่ยที่กำลังอยู่ในใจเราไอตรงเนี้ยมันอยู่พ่อเป็นอะไรไปนี่พูดกับเขาตรงๆได้พ่อเป็นอะไรไปแย่นะตายไปกว่าความเกลียดนี่คือคือตายไปกว่าความมืดนะพอดีว่าพ่อก็เป็นคนที่สนใจธรรมะแต่ คนแก่เนี่ยคือบางทีมันไม่ยอมรับไงว่าไอเนี้ยคือความมืดเห็นเป็นความชอบธรรมที่จะเกลียดเห็นเป็นความชอบชอบธรรมที่เราจะตกอยู่ในภาวะแบบนั้นเพราะเวลาที่เขาบุกระดมกันเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เห็นเป็นความชอบธรรมที่จะเกลียดถ้าเราคุยกันเรื่องนี้จริงๆเนี่ย เราต้องคุยกันตั้งแต่ตรงที่ว่าทำไงไม่ให้บุคคลใกล้ชิดของเราเนี่ยไปถูกครอบงนตั้งแต่แรกเพราะเวลาแก้มันแก้ยากนะคือการเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ยังคำฟ้าหรอกมีพระพระมา่าที่เคยเผาตัวตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ในประเทศไทยรละลึกชาติได้นะตอนนี้เป็นคนธรรมดานี่แหละ ตอนนี้บวชเป็นพระอยู่เคยทำงานที่แกรมมี่อันนี้เราลึกได้จริงนงะคือเขาบอกว่าเขาเป็นพระที่พมา่าล้าบอกว่าการเมืองเนี่ยต่อให้เผาตัวตายไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมันเหมือนเดิมนะก่อนก่อนเราเกิดมามันก็เป็นแบบนี้โลกก็เป็นแบบนี้หลังเราตายไปมันก็เป็นแบบนี้แหละคือโอเคเรียกร้องสิทธิเรียกร้องอะไรตามประชาธิปไตยอ่ะมันเป็น อาจจะเป็นหน้าที่ถือเป็นหน้าที่เลยก็ได้แต่การไปเกลียดหรือว่าจงเกลียดจงชังใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่เริ่มแล้วมันแก้ยากนี่อ่ะในเมื่อคุณแม่เป็นงนี้แล้วทาไงไออันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้กับคุณพ่อตัวเองนะคือว่าเดียอันนี้เดี๋ยวไปเผยแพร่ทีไ่ไหนวะเด๋ยวเข้าหัเข้าตาตรงนี้ตัดออกนะไม่เอานะ <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวมันเพราะบางทีคุณพ่อก็ดูอยู่เดี๋ยวรู้แกว้วคือคือเราจะพูดในแบบที่ว่าบางทีเนี่ยเราต้องเอออหอมหมกไปกับเขาว่าเออมันไม่ดีจริงๆนะแต่ก็เล่าให้เขาฟังจากที่เราสัมผัสนักการเมืองมาเองเลยเนี่ยมันมีทั้งคือมันมีทั้งอารมณ์ที่ดี แล้วอารมไม่ดีนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครเลยนะเคยช่วยคนอื่นมาเสมอต่อให้คนที่เรายึดว่ามันเลวที่สุดในโลกนะมันเคยช่วยใครมาจริงๆออกมาจากใจจริงๆเสมอที่ผมรู้จักมานะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับล่างหรือระดับบนไม่งั้นมันไม่มาเล่นการเมือง มันต้องการมี power มันต้องการมีเอฟเฟกอะไรกับโลกและถ้าคนมันต้องการมี power นะมันไม่มีทางที่จะเลวอย่างเดียวมันต้องเคยทําอะไรดีๆมาก่อนไอ้ตรงนี้แหละที่มันมีความจริงสองด้านเวลาเราจะด่าเขาเราจะขุดมาได้หมดเลยเพาเคยไปโกงเคยไปคิดชั่วร้ายระยําตําบอลอะไรมาบ้างแต่ไอ้ข้างที่มันสนับสนุนมันก็สามารถเอาหลักฐานมาว่าเคยไปทําอะไรดีให้เกิดผลดีกับชาวบ้านชาวเมืองมาบ้าง นะีตรงเนี้ยพอเราจับหยุดถูกนะเราค่อยๆพูดค่อยๆเล่าเท่าที่เรารู้ทั้งดีทั้งไม่ดีเอาไม่ดีก่อนเพื่อให้ลิงก์กันได้เพื่อให้ต่อกันตันติดกับคุณแม่เนะี่ยไอ้ไอที่มันไม่ดีเนี่ยเฮ้ยรู้รนี่มันยังงอนี้เอาแบบที่แม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ําเนี่ยยิ่งดีเลยเ <laughs> ขาเขาจะได้โอ้ยนี่เราลูกเราเข้าข้างนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเออเนี่ยไปรู้มาบางทีมันก็ค่อยๆหยอด ทีละนิดทีละนิดไม่ให้แม่จับได้นะว่าเราเขาข้างาพูดถึงเรื่องดีๆอะไรที่มันแบบน่าตื้นตันใจน่าน่าสูงใจเนี่ยตรงนี้มันจะค่อยๆคื อ, ค, อคือสลายความเกลียดไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะทำให้มันมันมีอีกโหมดหนึ่งคือไม่ใช่โหมดถูกปลุกระดมอย่างเดียวนะเป็นโหมดเห็นมนุษย์จริงๆ ว่ามันไม่ได้เป็นบีศาสตร์ทั้งหมดมันมีภาคเทพอยู่ด้วยเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้เหมือนกับคุณแม่เราเนี่ยนะถึงแม้ว่าเขายังถอนความเกลียดไม่ได้แต่ยังมีความสว่างแทรกหรือแซมขึ้นมาในความเกลียดของเขาอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังได้ใกล้ใกล้ที่สุด ในระยะไปเนี่ยค่อยๆพูดพูดพู ด, พดเออไอฝายนะั้นมันก็ไม่ไดีดนะมันก็มันทํโน่นทนํานี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคือข้อมูลมันมีอยู่แล้วเราจะพูดถึงหรือไม่พูดถึงเท่านั้นเองจนกระทั่งออมันมาสุดสุดทางที่เกิดบาลานซ์ขึ้นมาใ น, ในใจของแม่เราว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเออเวลาเราดูข่าวเนี่ยนะข่าวมีอยู่สองประเภท ประเภทที่เป็นข่าวจริงๆเช่นน้ําแข็งละลายแอนตาร์กติกาแตกตัวนะโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าเป็นข่าวแต่ถ้าเมื่อไหร่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั่นไม่ใช่ข่าวอย่างเดียวนั่นเป็นมุมมองที่เขาอยากให้เราเห็นคือพอเราเรามองได้ปุ๊บ ท, ที่ตัวของเรานะ่ว่าไอ้ที่ว่าเป็นข่าวไอ้ที่ว่าเรารู้จริงๆไอ้ที่ว่าโอ๊ยคนโน้นคน น, น, ค น, นี้มันมาพูดอินไซเดอร์ข้อมูลแบบเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นแค่มุมมอง ตอนที่เขาอยากจะพูดถึงในจุดนั้นพอเรามีความหนักแน่นเป็นอุเบกขาได้แล้วเนี่ยคาพูดที่เราไปพูดกับแม่มันจะสามารถควบค control ได้ตามจุดประสงค์ของเราคือเวลาเราพูดเราจะอุเบกขาจริงๆแต่ว่าสามารถแบ่งภาคได้ไอ้ตอนเนี้ควรพูดเข้าข้างแม่ก่อนนะแล้วค่อยๆไล่เฉดสีมาจากดําให้มันค่อยๆขาวไล่ขึ้นมาจากเทาจากดําเป็นเทาเทาเป็นขาวอะไรอย่างเงี้ยนะ จนกระทั่งแม่เนี่ยโดยไม่รู้ตัวเออสว่างขึ้นมาได้คิดอะไรที่มันเป็นธรรมะขึ้นมาได้นะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยากนะแต่พอเข้าใจทิศทางว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนที่สามารถคอนโทรลได้เนี่ยมันมันจะมันจะรู้สึกว่าเนี่ยเราทำได้ดีที่สุดตรงนี้แต่อย่าคาดหวังนะ คือคือเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเดือดื้อร้อนใจเวลาเห็นพ่อแม่ตัวเองเนี่ยนะอย่างอย่างผมนี่ก็บอกตรงนะคือไอ้ช่วงที่เห็นจริงๆงอ่ะว่าเขามีความเกลียดชังมากๆเนี่ยจะจะไม่มีความสุขจะจะรู้สึกเพราะเขาเป็นลมบ่อยแ ล, แล้ววูบเนี่ยไม่รู้ว่าวูบไหนมันจะไปไม่ไป แล้วเราก็โอ้โหวความดีที่เขาทำมาทั้งชีวิตเนี่ยอุตส่าห์ดีมาทั้งชีวิตแต่มันหลงติดกับการความยึดมั่นถือมั่นทางการเมืองเนี่ยแค่นี้แล้วมันไม่ใช่คือคือบ้านเรายังไม่ถึงขนาดเป็นเกาหลีเหนือนะมันยังไม่ต้องเดือดร้อนขนาดนั้นก็ได้เออแต่แต่เนียมันมันกลายเป็น tradition ไปแล้วอะ แทดิชันทางการเมืองเนี่ยว่าจะต้องเลือกข้างแล้วมันก็จะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องมีข้างสว่างให้ตัวเองมีข้างมืดให้ตัวเองถ้ามันมันของจริงที่ไหนมันมืดจริงที่ไหนมันสว่างจริงที่ไหนนะนี่เอ่อก็สำหรับพ่อแม่เราเนี่ยถ้าพูดง่ายๆใจของเราวางอยู่ในจุดที่มันเที่ยงธรรมได้มันเป็นอุเบกขาได้เราก็สามารถลากจูงพ่อแม่เรามา ให้ใกล้เคียงที่สุดหรือว่ามาลงกับจุดเดียวกันของเราได้ถ้าเรามีเวลามากพอนะครับค่ะ ข, ข, ขอสอบถามนะ ค, ะครั บ, ค, รบคือของหนูว่าแบบนั่งสมาธิอะคะ่ะแล้วมันไม่ไปไหนมันไม่เคยเก้าวหน้าเลยอะคะ่ะแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าเออเราก็แบบอยากจะปฏิบัติอะคะ่ะก็เลยคิดว่าเออหรือเราจะไปบวชชีซัก เสร็จเดือนดีเผื่อเราจะได้เห็นผลอะไรบ้างนิดนึงก็ยังดีหรืออะไรอย่างเงี้ยของเราว่าก้าวหน้าขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้เห็นไหมถ้าเอาภายนอกน้าใสขึ้นนะตอนนี้ใจมันสว่างขึ้นนะใจสว่างขึ้นแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยคือมองอะไรเนี่ยจะมองด้วยอารมณ์บงังคือมันจะมีอารมณ์อะไรบังอยู่บางอย่างเสมอแล้วก็ล็อกให้เรามีมุมมองอย่างใดอย่างหนึ่งตามอารมณ์นั้นแต่ตอนนี้ใจมันเปิดมากขึ้น นะมัน3 6มอยหองศามากขึ้นนะถ้าเราพิจารณาว่าความก้าวหน้าคือการที่ใจของเรามันเปิดมากขึ้นแล้วก็เห็นอะไรตามจริงมากขึ้นเนี่ยนะเราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสอยู่กับจุดที่ว่าทําสมาธิได้นิ่งขึ้นแค่ไหนหรือว่า ได้ขั้นไหนแล้วอะไรต่างๆนะเราเอาไอ้ที่มันเป็นสิ่งที่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันมันสบายใจขึ้นมันคิดอะไรได้รอบมากขึ้นมันตอบตัวเองได้ว่าสบายใจแล้วมีความสว่างมากขึ้นเนี่ยแค่เนี่ยคือความก้าวหน้าแล้วส่วนที่จะไปปฏิบัต ที่ไหนปลีกวิเวกเจ็ดเดือนเรื่องอะไรเนี่ยเจ็เดือนพี่ว่ามันนานไปมันหรือจะเอาแบบเจ็ดเดือนบรรลุธรรมนะคือคืออย่าไปาแบบเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตแบบทันทีทันใดนถ้าอยากจะไปปลีกวิเวกเนี่ยเอาแบบสามวันก่อนนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไป จากที่ไม่เคยไปเลยสักวันอยู่ๆเจเดือนเนี่ยนะมันบุบปรับเกินไปนิดนึงนะฮะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าถ้าอยากจะปลีกวิเวกเนี่ยขอแนะนําว่าเริ่มต้นขึ้นมานะเอาเสาร์อาทิตย์ใดเสาร์อาทิตย์หนึ่งหรือว่าช่วงว่างวันหนึ่งเต็มๆเนี่ยนะไปเอาแบบที่สบายที่สุดของเราก่อนก็แ น, น่นะะ อยู่ในห้องคนเดียวหรือว่ า, เ, าเรียนแบบบรรยากาศของป่าเขาอะไรเงี้ยไปอยู่เขาดินก็เนะ่นะแล้วก็อยู่กับสัตว์ป่าอยู่กับอะไรเนี่ยทั้งวันเออแล้วก็ดูไหวใจของเราเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยค่อยขย่ืบขึ้นไปเออมีที่ไหนบ้างนะที่เขารับปฏิบัติวันสองวันอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไปทาบุญ กับที่นอนที่นี่ให้เกิดความสนิทเกิดความคุ้นเคยเจ้าของสถานที่รู้ว่าท่านเป็นพระดีเป็นชีดีนะแล้วก็ปฏิบัติกันจริงๆเราอยู่กับที่นั่นแล้วเป็นที่สบายเนี่ยค่อยๆเลือกค่อยๆ ค, ค, คิดจากความเป็นจริงคืออย่ากระโดดขึ้นมาด้วยการตั้งสเปคแบบนี้ว่าเอ๊ะควรจะไปปฏิบัติ7เดือนให้มันเกิดความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดหรือว่าเห็นความชัดเจน เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนไหมเนี่เพราะว่าพอขึ้นต้นด้วยสเปคเกี่ยวกับเงื่อนของเวลาเนี่ยเรามักจะลืมเงื่อนของใจเงื่อนของความเป็นไปได้จริงเงื่อนของไอความค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบปรับตัวนะการปฏิบัติที่ดีที่สุดการที่เราปรีกวิเวกได้เหมาะเจาะที่สุดเนี่ยคือการค่อยๆไล่เฉดสีค่อยๆไล่เฉดความเข้มข้น ของการปฏิบัติแล้วก็ถ้าเราสร้างความเคยชินไว้ได้ตั้งแต่ที่บ้านเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าพอไปปฏิบัติในสถานที่จริงเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวตรงความปรุงแต่งของจิตที่เกิดจากสถานที่ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมแต่ว่าจิตภายในสติภายในยังเป็นของเดิมคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นาตามสภาวะที่มันถูกกระทบ นะแต่ถ้าเราไปตั้งสเปคเรื่องเวลาก่อนนะบอกว่าเจ็ดเดือนเนี่ยแล้วกระโดดพรวดไปทีเดียวเนี่ยบางทีเราตกใจว่าเฮ้ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะมาอยู่ในสถ า, านที่แบบหนึ่งเนี่ยวิเวกจริงแล้วก็สถานที่ดีจริงบุคคลแวดล้อมดีจริงนี่แบบเอาเกรด A เลยนะเอาเกรด A ให้เลยเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ปรุงแต่งจิตดีๆเนะี่ยเราเรากลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรอบกายมันดี แต่ใจเราเองยังไม่ดีมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนเออไ อ, อตัวเจ็ดเดือนเนี่ยถูกทำให้เหมือนกับเงื่อนไขหรือว่าโครงขังแทนที่จะเป็นสะพานหรือว่าเป็นไ อ, อ้บันไดให้ต่อยอดยิ่ ง, งขึ้นไปนะ เจตของเราค่อยๆดีขึ้นแล้วทําไมบอกว่าไม่ดีอืมอยังฟุ้งซ่าน ค, คือ ม, มันฟุ้งซ่านแล้วแบบเขาเรียกว่าคือพูดตรงๆนะคะคือเหมือนกับว่าทางโลกอะ่ะคือหนูว่าไม่ไม่ไม่สนใจแล้วก็ไม่ปรารถนาอะไรอยู่แล้วไม่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบคิดอย่างเงี้ยคะ่ะคือมั น, นไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราเป็นฟุงน้งซ่าเออซึมเศร้าหรือว่ามันเป็นเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยเวลาเวลาซึมเศร้าหรือว่าเวลาซึมใช้คําว่าซึมเนี่ยเราจะล็อกล็อกอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เห็นไหมมันมันต่างไปได้ออ แ, ลแล้วเราเราเปิดเปิดให้เห็นนะ่ยว่าออในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็สามารถหันไปหาโน่นหันไปหานี่ได้เนี่ยคือข้อแตกต่างเนี่ยคือมันพัฒนาขึ้นแล้วเราเก้าวหน้าขึ้นแล้วแต่คําว่าก้าวหน้าของเราเนี่ยคือจะเอาขาวกับดํา จะกระโดดพรวดนะฮะจากที่มันไม่ดีกลายเป็นดีไปเลยเนี่ยคนมักจะเป็นแบบนี้คือไม่สังเกตเห็นไอ้สิ่งที่มันปรากฏแล้วว่าดีขึ้นจริงๆแต่จะไปเอาดีตามใจอยากว่าเนี่ยสเปคของเราเนี่ยดีนิยามจำกัดความเนี่ยว่าดีเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันพอมันไปไม่ถึงนะะมันยังฟุ้งได้อยู่มันยังหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาอยู่ก็ตราหน้าตัวเองแล้วว่ายังไปไม่ถึงไหนนะ จริงๆแล้วมันก้าวหน้าคืนมาแล้วไม่ใช่ไม่ก้าวหน้านะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนแต่วันนี้สิ่งที่มันยังอยู่ก็คือความใจร้อนนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดฮัลโหลสวัสดีครับพี่ดังตินจะขอคาแนะนะครับว่าพอดีรู้สึกว่าเป็นคนนิสัยติดเครียดง่ายแล้วก็กังวลง่ายครับใจร้อนง่ายนะครับ อยากขอคำแนะนำพี่ดังติลนหน่อยครับว่าควรจะทำยังไงดีครับเอางี้ดีกว่าตัวที่มันเป็นแก่นกลางเลยไม่ใช่ใจร้อนนะตัวที่แก่นกลางใจของเราเนี่ยมันคือความยึดมั่นถือมั่นสูงคือถ้ารักอะไรเกลียดอะไรแล้วเนี่ยมันจะยึดอยู่ตรงนั้นมันจะ พูดง่ายๆว่าอารมณ์รักอารมณ์ชังของเราเนี่ยจะทำให้ใจเราแคบลงสังเกตใจตัวเองนะไปสังเกตใจตัวเองอย่างนี้นะพอยึดมั่นพอรู้สึกไม่ชอบหรือว่าชอบอะไรแล้วเนี่ยใจมันจะแคบลงเข้าใจอารมณ์นี้ไหมเวลาเราใจกว้างเนี่ยเราจะเหมือนกับรับฟังได้เหมือนกับมองมองซ้ายมองขวาได้แต่พอเมื่อไหร่รักหรือว่าชางังมันจะยึดแรง แล้วก็ไม่มองซ้ายมองขวามันมันจ้องอยู่ตรงนั้นตรงเดียวเห็นนะเห็นอาการนี้นะพราเห็นอาการนี้แล้วเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมใจมันคลายออกรู้สึกไหมว่าพอเห็นอาการยึดเพ่งคับแคบเกินไปเนี่ยใจมันสบายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นอาการยึดมั่นถือมั่นเป็นภาวะไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเรา แต่ตอนที่เรายึดอย่างเดียวไม่มีสติมันจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเกลียดมีความชอบธรรมที่จะรักและไอ้ความชอบธรรมตรงนั้นเนี่ยมันแปลเป็นความใจร้อนมันแปลเป็นความหุนหันพันแล่นมันแปลเป็นความรู้สึกฟุ้งซ่านกระเจิดกระเจิงเนี่ยอย่างตอนเนี้ยใจตอนเนี้ยดูดีเห็นไหมที่ที่มันเหมือน เปิดออกเนี่ยอย่างนี้มันไม่หุนหันพันแล่นแน่นอนมันไม่มีอาการกระเจิดกระเจิงแน่นอนมันสามารถรับรู้อะไรตามจริงได้อย่างที่มันกำลังปรากฏอยู่เนี่ยตัวที่มันสบายขึ้นเนี่ยนะจำไหมเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเรากำลังตะเลดิดใจเรากำลังตะเลิดไปเนี่ยให้นึกถึงคำพี่ตอนนี้นะ ว่าเราเป็นคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นสูงมากแล้วอาการยึดทําให้มันมองอะไรแคบเหมือนม้าเนี่ยที่ถูกครอบด้วยไอ้หน้ากากเนี่ยม้าแข่งนะมันจะถูกบังคับให้มองตรงอย่างเดียวมองซ้ายมองขวาไม่ได้ต้องเล่นไปตรงๆอย่างเดียวนี่มันถึงจะวิ่งเร็วไงมันถึงจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะทํา เปิดให้โอกาสให้มันมองซ้ายมองขวาได้บางทีมันล็อกแลกม้าแข่งนะเพราะม้าแข่งเนี่ยมันมีความพยศอยู่มันสามารถที่จะเล่นออกซ้ายออกขวาได้เขารู้แกวตรงเนี้ยก็ เ, เลยใส่หน้ากากเพื่อที่ล็อกให้มันเห็นแค่มุมเดียวอันนี้ตรงนี้เหมือนกันจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นสูงเปลี่ยมเหมือนกับม้าที่ถูกสวมหน้ากากให้เล่นไปได้ตรงๆอย่างเดียว มองคับแคบเฉพาะเนี่ยสิ่งที่มันเลงเลงอยู่แล้วก็ยึดอยู่ม้าเนี่ยเวลาที่มันถูกบังคับถูกบีบให้มองเฉพาะเป้าหมายมันจะพุ่งเข้าไปจิตของคนก็เหมือนนะั้นมันเหมือนไงจะแล่นเข้าไปเอาเฉพาะอย่างนั้นนะใครว่ายังไงหรือมีทางเลือกอื่นไม่สนนี้ถ้าเราถอดไอ้นี้ครอบออกเนี่ยก็เหมือนตอนที่เรารู้ตัวเนี่ย ว่าเรากำลังเพ่งคับแคบเข้าไปในมุมมองแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนียพอพอเรารู้สึกว่าเรายึดอาการยึดมั่นถือมั่นสูงหน้าตามันเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยมันคลายออกเลยนะไอ้ตอนตอนเนี้ยขนาดคลายออกแล้วนมันยังมีมันยังมีเชื้ออยู่ครับซึ่งเราจะสามารถค่อยๆเห็น แล้วก็ค่อยๆถอดถอนในตรงนี้ทุกครั้งที่เราเห็นแต่ถ้าเรามัวแต่มาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไงจะใจะเย็นลงอะไรเงี้ยเรรีบด่วนจะเอาแบบวิธีรัดๆอุบายอะไรที่มันง่ายๆตื้นๆนะมันไปไม่ถึงไหนมันจะกลับมาที่เดิมเหมือนกับที่เราพยายามมาหลายปีพี่รู้ครับผม เราเราก็รู้สึกว่ามันวนเวียนอยู่กับที่มันไปไม่ถึงไหนสักทีนะแต่จริงๆ่ใจเนี่ยมันอ่อนลงเยอะแล้วคือจากเดิมที่ใจมันแข็งมากเราเราจะรู้สึกได้แต่ก่อนเนี่ยใจมันเหมือนผีดิบมันจะรู้สึกแข็งทื่อแต่ตอนเนี้ยนะมันดูเป็นมนุษย์มนามากขึ้นมันรู้สึกว่ามีความนุ่มนวลลงนะนี่ยางตอนนี้ยิ่งยิ่งเบาสบายที่เบาสบายเนี่ยเพราะว่าเออมันคลาย อาการยึดอะไรผิดผิดและที่มันคลายไม่ใช่เพราะว่าเราตั้งใจหรือใช้อุบายแต่เราเห็นมันอย่างชัดเจนว่าหน้าตาการยึดมันเป็นแบบนี้นี่รู้สึกถึงความสว่างใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นมาที่มันเบาครับ ร, รู้สึกได้ครับไอเนี้ยตัวเนี้ยคือกุศลจิตอย่าเรียกว่ากุศลจิตเรียกว่ามหากุศลจิตอันเกิดจากการที่มีสติ ร, รู้ภาวะอันเป็นอกุศลธรรม อกุศลธรรมคืออะไรคืออาการยึดมั่นถือมั่นก็เราเห็นอาการยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้ยตรงกันกับที่ในพระไตรปิฎกบอกเลยนะในพระอภิธรรมปิดก ม, ม, ม, มีบอกว่าเมื่อเกิดสติเห็นอกุศลธรรมเมื่อนั้นนะจิตจะพลิกเป็นมหากุศลจิตตรงนี้แหละที่มันกําลังปรากฏขึ้นเป็นหลักฐานในตัวเรานะครับขอบพระคุณพี่ตุลครับ คำถามสุดท้ายเดี๋ยวถึงเวลาลูกแล้วนได้เวลาลูกลูกจะเอาไปจากชีวิตเราบ้างงั้งนรบกวนขอบุกลับมาอีกรอบค่ ะ, ะหลังจากฟังหลายๆคนแล้วก็แบบว่าเริ่มกลับมามองตัวเองในการปฏิบัติของตัวเองบ้างก็เลยไม่แน่ใจว่าของตัวเองเนี่ยเป็นแนวเพ่งเกินไปไหมของเรานะของตัวเองนะ ตัวศาสจริต <c oughs> นะะมันขี้โมโ ห, โหมันรู้สึกไหมว่าวันทั้งวันเนี่ยบางทีนะมันมันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องหงุดหงิดจริงจังแต่มันก็หาเรื่องหงุดหงิดขึ้นมาเองรู้สึกใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกพยายามแน่แล้วตอนนี้บอกไม่รู้ฮือง่ายแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอ ะ, อะ okay. โอเคเพราะการ สะสมความเคยชินมันเป็นมโนกรรมอย่างหนึ่งนะคือบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าใจของตัวเองนะอยากจะคิดอะไรที่มันดีคิดอะไรที่มันเป็นธรรมะแต่อยู่ๆเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบหนึ่งขึ้นมาในใจน ะ, เ, ะเหมือนเหมือน คนที่จ้องจับผิดโลกอ่ะคนที่แสดงมารู้จักกันเนี่ย <c ười> คือบางทีเนี่ยเราแต่ไปว่าเขาไม่ได้นะโลกนี้มันมีสิ่งที่น่าเกลียดจริงๆแล้วบางทีเนี่ยพอมันเข้ามาสู่ใจเราเราจะสะสมความเชื่อว่าโลกเป็นแบบนี้ คือมันเป็นความเคยชินและความเคยชินจะทำให้เราสะสมพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งๆ ท, ท, ที่พยายามจะมองอะไรดีแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ศึกษาธรรมะเข้าใจแล้วนะแต่ใจอ่ะมันไม่ยอมเปิดเต็มที่มันจะมีเงื่อนไขรู้สึกไหมบางทีมันเหมือนประตูมันปิดทั้งๆ ท, ท, ที่เรารู้ทางออกแต่ประตูมันปิดมันมีเงื่อนไขที่อยู่ๆมันคิดไม่ดีขึ้นมามันชอบแอบคิดไม่ดีนะ อยู่ในห้องนี้บางทีแอบคิดไม่ดีขึ้นมาก็ได้นะฮะบางทีเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่คําว่าเราไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนเนี่ยจริงๆแล้วเส้นผมบางภูเขามันเกิดจากความเคยชินที่เราสะสมแล้วบางทีเนี่ยธรรมะทำให้เรารู้ทางออกแต่ประตูไม่เปิดเพราะว่ามันไม่เกิดการเปิดจริงๆคําว่าเปิดใจเนี่ย นะมันก็คือการเปิดประตูนี่เปิดมันเริ่มเปิดตรงไหนบางทีเนี่ยคนนะรู้อะไรทุกอย่างแต่ว่าหลงอยู่ในป่าของความคิดป่าของความฟุ้งซ่านของตัวเองเพราะเวลาที่มันคิดขึ้นมาเราเข้าข้างมันทันทีนึกว่ามันเป็นตัวเรานึกว่ามันแฟร์ที่จะคิดแบบนั้นนึกว่ามันใช่โดยคื อ, ค, อคือไม่ต้องหาเหตุผลยืนยันเราจะรู้สึกว่าเนี่ย มันต้องอย่างนี้นี้เอาใหม่เริ่มต้นสะสมความเคยชินหรือว่านิสัยทางความคิดอีกแบบหนึง่งเพราะมันเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาเพราะมันเกิดความรู้สึกว่าแบบมีหน้าตาของเราแบบหนึง่งที่มันเพ่งโทษที่มันแบบเหมือนกับรู้สึกถึงความน่าเกลียดของโลกอะ มันจะต่างกับตอนนี้ตอนนี้เหมือนนางฟ้าเลยนะรู้สึกไหมมันมันเหมือนอมีความสุขนะมันเหมือนเบิกบานมันโอ้นี่ใช่แล้วนี่ตัวนี้ตัวที่เราต้องการจริงๆแต่พอมันมีอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราต้องรู้ให้ทันแล้วที่ประตูจะเปิดมันเปิดตอนที่เรารู้และยอมรับว่าเนี่ยมันเป็นอกุศลกิจ แต่ว่ามันมีเหตุให้เราเกิดอารมณนน์อย่ามีข้ออ้างนะเนี่ยตัวตัวเนี่ยพอเราคือพี่เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะมันมันจะมีเหตุบีบให้เราเกิดความรู้สึกเนี่ยมันแฟร์ที่เราจะคิดไม่ดีพอยต์ก็คือว่าธรรมะเนี่ยนะมีหน้าที่บอกเราว่าต่อให้โลกไม่ดีจริงใจของเราก็ดีตอบได้อันนี้คือพอยต์นนะ p o i n จริงๆไม่ใช่ว่าโลกไม่ดีแล้วเราใจเราต้องไม่ดีตามพ o i n ของธรรมะคือว่าโลกไม่ดีช่างมันแต่ใจของเราเนี่ยดีก็แล้วกันพอพอด้วยมุมมองนี้เนี่ยต่อไปมีอะไรไม่ดีปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าอากุศลธรรมไม่จําเป็นต้องเกิดก็ได้ตรงนี้แหละที่ประตูเปิด เนี่ยพอคิดอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยใจใจมันจะเป็นแบบนี้คือมันเข้าใจพ้อยของธรรมะบอกว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงเนี่ยให้มันเป็นไปเราแก้ไม่ได้แต่ว่าใจของเราเนี่ยคือพอมันมีความสะอาดมีความสว่างนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันไม่ทําให้รอบตัวในขณะนั้นมืดไปทั้งหมดคือโลกรอบตัวมันจะมืดขนาดไหนก็ตามถ้าใจเราสว่างอยู่มันไม่มืดทั้งหมด แล้วพอเรารู้สึกถึงความสว่างของเรามากขึ้นมากขึ้นชัดเจนขึ้ น, นเรื่อยๆเนี่ยมันจะสวิงไปอีกข้างหนึ่งเลยนะของเราเนี่ยจะรู้สึกเลยนะว่าเรามีกำลังใจที่แรงที่จะสว่างคืออันนี้เป็นธรรมชาติเลยอย่างอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยตอนพี่เห็นหน้าท่านครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นรูปท่านยิ้มแล้วก็คิดนะว่าโอ้โหพระนี่รูปนี้เนี่ย จะต้องมีเมตตามหาสารมันตั้งแต่เด็กๆจะต้องไม่เคยโกรธใครเลยตรงกันข้ามนะคือท่านเนี่ยเคยโกรธคนกระทั่งกําลังจะฆ่าฆ่าคนได้เพราะท่านจับได้ว่าเมียท่านนอกใจจับได้คาหนังคาเขาเลยท่านเกือบจะฆ่าทั้งคู่เลยนี่ท่านเคยโกรธขนาดนั้นแต่จิตคนเนี่ยที่โมโหร้ายเป็นโทสายจริตนะ พรอมันสวิงมาอีกข้างหนึ่งเี่ยมันสว่างแล้วก็มีเมตตามากกว่าคนธรรมดาทั่วไปอันนี้กรธรรมดาเลยนะไอ้ประเภทที่อยู่กลางๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีอะไรต่างๆเนี่ยบางทีสวิงมาเนี่ยมันเฉยๆไม่ไม่ไมค่อยเท่าไหร่แต่คนที่มักโกรธแล้วก็มีความจงเปลียดจงช่างโลกได้ง่ายเนี่ยเพราะมันสวิงกลับมาเนี่ยมันมีแต่ความเข้าใจมันเข้าใจอะไรเห็นอะไรได้แบบเออไม่ต้อง ไปเอาอะไรกับมันมากก็ได้ไม่ต้องถือสา ก, ก็ได้นะแล้วพอเห็นว่ า, าโลกข้างนอกมันมืดแล้วเราเอาความสว่างไปทำให้มันไม่มืดทั้งหมดเนี่ยมันจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ mm. จนกระทั่งกลายเป็นตัวตนอีกแบบหนึง่งนะที่เราอยากอยู่กับตรงนั้นเราอยากอยู่กับตัวตนแบบนั้นนี่แหละที่เราจะมีความสุขนะ แสดงว่าต้องพยายามตั้งเป้าในใจที่จะใช่ใช่ตั้งเป้านี่คือคีย์เวิร์ดถ้าเราตั้งเป้าได้จับจุดถูกมนะแล้วสร้างความเคยชินใหม่ได้ชีวิตเปลี่ยนเลย <Okay. S 1> ครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ฟังกันแล้วก็คงจะ <c oughs> ได้มีความสว่างร่วมกันนะครับครับสาธุครับ